อาจารย์พรสวัสดีท่าน ท, ทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุมกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงสบายดีมีสติสตังปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ทะเลทลายไปเที่ยวที่นู้นที่นี่ <laughs> ไม่รู้ว่าขครหรือเปล่ารู้ว่าทุกคนไม่รู้โอเคองนั้นไปที่คุณบริสก่อนเลยคุณ ร, ริคุณแรกวันนี้ กับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็สัปดาห์นี้เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ยังรักษาเวลาปฏิบัติทุกวันค่ะพระอาจารย์ก็ <c oughs> ตื่นตื่นเช้ามืดทุกวันก่อนไปทํางานค่ะพระอาจารย์ก็เหมือนสัปดาห์นี้เริ่มเหมือนจําทางเข้าได้แล้วค่ะพระอาจารย์มันพอ จำได้ว่ามันการเข้าอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์เข้าด้วยสติเหรอจะเข้าด้วยอย่างไรลมันก็เข้าด้วยสติค่เใา่จ้ะเหมือนเหมือน ป, <c oughs> ปรับรุงจากที่แล้วคะ่ะที่พัดอะไรให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นที่ตั้งของสติคเ <c oughs> จาอารมณ์ก็ดูลมไปพุโทโธก็พุทโธไปอย่าไปที่อื่นค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนพระอาจารย์บอกว่าที่ที่บอกพระอาจารย์ช่วงหลังสติมันพวกภูไม่ค่อยอยู่ในขึ้นหลังสัปดาห์นี้ก็พยายามปรับปรุงพยายามคอนโทรนให้มันอยู่ในถ้ามันไม่พอก็ต้องพูดโธพูดโทค่ะพระจะมีปัญหาก็ช่วงบางวันที่ว่างนอนค่ะพระอาจารย์ก็รูกขึ้นมาเดือนอ่าอ่า เดินจงกรมนี่าเดินแล้วก็พุโทโธไปด้วยใช่ไหมเจ้าคะใช่ก็เดินเหมือนกำลังไปแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนท่าของร่างกายแต่งานของใจก็เหมือนเดิมใช้พุโทโธก็ได้จะดูเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้หรือถ้าอยากจะท่องยาวๆก็สวดมนต์อิติปิโสไปก็ได้ให้มันมีสติกับขึ้นมาให้มันหายง่วง แต่ต้องบังคับต้องฝืนเพามันมันไม่ยอมมันจะมันจะง่วงอย่างเดียวมันจะหาวอย่างเดีย ว, วถ้าสู้ไม่ไหว <c oughs> จริงๆก็เป็นอ น, นเลยอย่าไปฝืนนะพระอาจารย์สารภาพเลยค่ะเมื่อเช้าเองค่ะพระอาจารย์ตื่นมาตีสามห้าสิบก็พยายามนั่งได้ห้าสิบนาทีมันก็มันไม่ค่อยดีค่ะมันง่วงอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยไปเดินเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงก็ไมไ่ไม่อู่ก็ก็เลยแับตีห้าครึ่งก แล้วก็ใช้การเดินก็ได้ถ้านั่งแล้วมันง่วงมันจะหลับมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรสู้เดินให้มันได้สติดีกว่าค่ถ้ายังไม่ได้สมาธิก็เอาสติก่อนค่ะอ า, าจารย์ปรึกษาช่วงถ้ามีบางวันที่เรานั่งแล้วมันไม่ค่อยนิ่งมันเหมือนมันมันอยู่ในภาวะคล้ายๆเหมือนกึ่งกึ่งเหมือนจะหลับลึกกเข้าไม่ลึกกว่าสติเราไม่กําลังน้อยไป เหมือนมันวูบๆปะคะพระอาจารย์มันเหมือนตกตกบ่มันจับขึ้เดินมันจะหลับก็ไม่ใช่จะสมาธิก็ไม่เชิงให้เจ้าค่ะจิตเรามีกําลังน้อยไปก็ลุกขึ้นมาเดินมันมันมันวูบไปมันสว่างแล้วมันก็ดับอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้ามันสงบก็ก็โอเคไม่มีปัญหาเลยถ้ามันไม่ถ้ามันดับก็ลุกขึ้นมาเดินดีกว่าลุกค่ะอาจารย์ก เดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยเดี๋ยวตอนนั่งทีาธิไดก็ขอภาพทุกทีสัปดาห์นี้มีสองวันที่เหมือนอ ม, มันจะวูบจะหลับอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์อไปไปเดินดแล้วมันจะคิดว่าในนั่งสมาธินานมนนั่งหลับนานใช่ค่ะพรอาจารย์ก็มองว่าเราหลับหรือว่าเหมือนเหลือจะเป็นสมาธิแบบเบาๆถ้าเป็นสมาธิมันต้องตื่นตอนเนี้ย ต้องรู้สึกตัวแบบตอนนี้เยแต่ว่ามันไม่คิดตรุงแต่งมันสงบมันเย็นมันสบายก็ทำไปทาไปประสบการณ์มันก็จะบอกเราเองอย่างไรถูกอย่างไรไม่ถูกค่ะบางวันก็มีดีๆก็จะมีแบบเหมือนมีช่วงดับนิดนึงค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เราทำเฉพาะช่วงเช้าช่วงเดียวเลย ใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์พอจันถึงสุกไปทำงานตื่นประมาณตีสี่ถึงหกโมงค่ะพระอาจารย์เสาร์อาทิตย์ก็เหมือนเหมือนเดิมค่ะตีสีถึงหกโมงแต่ว่า<ำ>วันนี้เพิ่มมาเร า, เราจะมีเวลาทำด้วยอย่าเวลาไปใช้กับเรื่ององื่นไม่เกิดประโยชน์พยายามทำไปเรื่อยๆอย่าท้อได้บ้างไม่ได้บ้างก็ทำไปดีก็ไม่ทำ กันยึดพยายามรักษาระดับการปฏิบัติของเราอย่าให้มันย่อหย่อนนะให้มันเข้มข้นเพิ่มขึ้นไปตามลาดับค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มีปรึกษานิดีนึงบางทีระหว่างวันนะค่ะมันจะมีช่วงแบบจิตใจมันบางวันมันก็เศร้าหมองอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อย่างไรจะจิตจิตเป็นอนิจจ์อารมณ์ไปในจิตเป็นอนิจจ์ แต่ปรวนไปตามสภาพตามเหตุตามปัจจัยบางวันเรื่องมีแต่เรื่องราวดีๆมันก็เลยผ่องใสเบิกบานาบางวันก็มีเรื่องปวดหัวมันก็เลยเจ้าหมองจิตผู้รู้ต้องแยกออกจากอารมณ์อย่าไปเป็นกับมันอย่าไปเป็นกับอารมณ์ให้สักระว่ารู้ว่าวันนี้มันเป็นอย่างนี้ใช้สติประครับประคองอย่าไปทําอะไรเพียงแต่ พยายามรักษาสติให้มันสงบไว้แล้วมันจะพันฝ่ากับอารมณ์ต่างๆได้ไม่ต้องบางทีเราแก้มันไม่ได้อารมณ์มันก็เป็นเหมือนเวทนาบางทีมันก็เจ็บขึ้นมาจะให้มันหายมันก็ไม่หายอารมณ์ซึมเศร้าเศร้าหมองมันจะให้มันหายทันทีมันก็ไม่หายเพราะอย่างว่าถ้าเรามีปัญญาอาจจะเ้าเจาะเข้าไปดูสาเหตุ อารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่เรียกว่าเศร้าหมองอารมณ์ทุกข์นี่ส่วนใหญ่เกิดจากสมุทัยของคือความอยากของของใจนี้ต้องอยากให้มันแจ่นใสเลยละพอมันเศร้าหมองอยากให้มันจจ่มใสมันก็ยิ่งเศร้าใหญ่ต้องมีสติรู้ทันว่ามันเศร้าก็รู้ว่ามันเศร้าไปถ้าเห็นที่ทําให้มันเศร้าเราไปกําจัดมันไม่ได้เช่นคนนั้นไปคนนั้นเสียคนนั้นตายไปมันจะเศร้า แต่ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจก็อาจจะทำให้หายเจ้าได้อ่า น, นิจังดูฟังอ่า น, นิจังร่างกายของคนเราในที่สุดก็ต้องถึงความแก่ความตายอันนี้มันก็จะทำให้ใจาวางเฉยได้หยุดความอยากให้คนที่ตายไปไม่ตายอยากให้เขากลับมาอยากให้เป็นเหมือนเดิม แต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ใช้สติพุทโธพุทโธบอกอ้าวันนี้อยู่กับมันไปอย่างนี้แต่เราไม่ต้องไปทําอะไรให้มันวุ่นวายไปกว่านี้สักจะ่ว่ารู้ไปว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็ดับไปเองอนาคตเป็นเหมือนบินฟ้ากันเมอนมันตกก็เราก็ต้องปล่อยให้มันตกไปเดี๋ยวมันก็หยุดเองแต่ไม่รู ก็มีสองวิธีเพราะบางทีก็ใช้เป็นพุทโธค่ะพระอาจาตย์อ่าก็ทำพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับอารมณ์มันเหมือนเมื่อใจเราสงบขึ้นอารมณ์มันก็จางหายไปใช่แล้วก็สบายอ่ามันบางทีมันเบื่อกับการการเปลี่ยนไหวใจเกิดมันก็เหมือนเออมองไปแล้วมันก็เบอรก็เป็นทุกข์เองเบือด้วยเกิดจากความอยาก วิภาวะต่างๆไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายไม่อยากเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยมันเกิดแล้วก็ก็ต้องอยู่กับมันไปมันจะแกว่งไประหว่างอยากอยู่กับอยากไม่อยู่ยยแม่เดี๋ยวว่าตอนที่ได้หนูอันนี้ก็สัปดาห์นี้ก็มีเท่านี้าานค่ะพระอาจารย์เขามาปั๊บนะอยู่ที่ น, นอโนตะกร้อเนี่ยนะ อ, อ๋ออยู่และยองเจ้าขาา่าวอา<อ><อ>จารย์ก็กกมาฟังเป็นกำลังใจค่ะอาจารย์เพิ่มกำลังใจค่ะเด็โอเคเดี๋ยวขอไปที่ท่านต่อไปนะคุณคุณหมองภาสนาเชิญเป็นไงไปอยู่มาแล้วเหรอ นะว่าสานพระอาจารย์คุณวรคุณหลักคุณชัยนะคะยังไม่ได้อยู่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าวันที่สิบเก้าเสียงไปหน่อยเขมาใกล้ๆวันวันที่สิบเก้าค่ะพระอาจารย์อ๋อสิบเก้าก็อาทิตย์นี้เห็นไปหลักเยอะเลยนะคะพระอาจารย์เริ่มตั้งแต่ที่พระอาจารย์ก็ไม่ได้เทเขากะเตรียมการว่าจะไปหาพระอาจารย์สามวันก็ได้ไปแค่ไปไต่บาาแล้วก็ทําข้อสอบค่ะน่าจะทำข้อสอบทางโลกกับทางธรรผ่านอย่างละข้อพระอาจารย์ทางทางทําก็คือว่าเนี่ยเตรียมตัวอย่างดีแล้วถ้าเกิดโควิดกระจายก็ไม่รู้คือวัน เขาพาไห า, ไหาพระอาจารย์แล้วก็เลยไปเขาชีโอนก็เอินโชคดีก็ได้ไปเจอพี่ตุ้มด้วยนะคะแล้วก็ได้คุยกับป้าผูกเขาบอกว่าที่นั้นยังไม่ได้ปิดเขาก็แต่ว่าเราก็เตร็มทําใจคือคือว่าถ้าเกิดสมมติว่าได้ไปหรือไม่ได้ไปก็ทําใจให้เป็นกลางเพราะยังไงเราก็จะไปคือถ้าปิดเราก็ไปวันหลังได้แต่ถ้าไม่ปิดเราก็จะไปวันจันทร์ก็คือก็เลยคิดว่าน่าจะทำข้อสอบผ่านนะพระอ า, าจารย์เพราะถ้าเป็นสมัยก่อนจะแบบเซ็งมากเลยถ้าเกิดตั้งใจจะไปแล้วไม่ได้ไป <laughs> อค่ะ ก็อันนี้ผ่านข้อหนึ่งแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อสอบผ่านทางโลกก็คือว่าไปตรวจตาพระอาจารย์คือรู้สึกว่าเวทนาอันนี้เป็นเวทนาปกติเนี่ยตรวจตาสองข้างมันจะต้องส่องไฟแรงมากเลยแล้วจะกลัวแล้วก็จะแบบเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้พอเราใช้เราปฏิบัติรำใช่ไหมได้สมาธิพระอาจารย์มันก็เลยทําให้ไม่มีความกลัวตอนที่จะตรวจแล้วก็แยกมันแยกได้คือมันไม่ไม่รู้สึกอะไรไม่ไม่ไม่รู้สึกคือเรื่อว่าอะไรไม่ไม่รู้สึกกลัวเวทนามก็เลยไม่เจ็บก็เลยผ่าน ตรวจไปได้อย่างง่ายๆคือมันเอกว่าอเออมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีมากเลยพระอาจารย์คือมันผ่านเรื่องของการตรวจที่ต้องส่องไฟที่ตาไปได้เดยอะแล้วก็ตรวจเลือด ก, ก็ผลเลือดดีด้วยพระอาจารย์ทุกอย่างดีหมดเลยค่ะก็ก็คืออันนี้ผ่านทางโลกแล้วก็ตอนนี้ก็ดีไม่นานเนาะเดี๋ยวเมื่อสักวันมันก็ต้องไม่ดีอนั่งกายอย่าไปลาใจต้องคิดเปล่าแม่ มาใช้กับกระทังนี้ได้แล้วก็ตอนนี้ก็ปฏิบททัติทําเำนักสมาธิเพิ่มมากขึ้นทั้งสามอริยบทเพราะว่าเตรียมตัวไปวัดแล้วก็แล้วก็เอามาห้อยพระอาจารย์ <laughs> เพราะเตรียมตัวปไิวัติก็เตรียมตัวไป ก, ก็ก็กะว่าจะไม่ตอนนี้ฟังฟังเทศเยอะมากฟังซีดีเยอะมากเพราะว่าพอตอนที่ไปจะไม่เอาอะไรไปเลยจะไปเดือดตัวเหมือนที่พระอาจารย์บอกค่ะก็ทัปบปุ๋กว่าให้เตรียมเตรียมไฟฉายไปด้วยก็เตรียมตัวพร้อมพระอาจารย์ก็มีพระอาจารย์มีอะไรแนะนําอีกไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็ ก็เขาจะทําข้อสอบที่นู่นด้วยนะคะครูอาจารย์ทำทุกอย่างก็พยายามร่างสติอยู่เรื่อยอันนี้ให้อยู่กับปัจจุบันอนาคตยังมาไม่ถึงเมื่อเราเตรียมพร้อมแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันนั่นก็ปฏิบัติของเราที่ไหนก็ได้อย่ามัวไปเจ้ามันต้องไปปฏิบัติที่นู่นแล้วลืมเลยเลืมปฏิบัติที่นี่ไป อี่นี้ก็ปฏิบัติได้ที่บ้านที่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้อย่างน้อยก็ปฏิปฏิบัติสติไปก่อนอบันทีก่เลสมันก็รอให้เรามองไปที่ข้างหน้าโน่นๆจะไปปฏิบัติเลยตอนนี้เราไม่ได้ปฏิบัติวันนี้ก็ต้องปฏิบัติต้องเตรียมตัวไปปฏิบัติไปเรื่อยๆถึอย่เปลี่ยนสนามมันก็จะได้มันนอาจะได้ปฏิบัติเข้มข้นขึ้นไปได้ แต่เราก็ไม่รู้อย่าไปคาดหวังอะไรมากเลยยังไม่ไปถึงที่นั้นอย่าไปวาดภาพเดีย๋ยวมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราวาดแล้วมันจะผิดหวังเองต้องไม่คิดแสิที่พี่เขเป็นอาจารย์ทําเหมือนเดิมแล้วเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าเตร็มพร้อมนะคะอาจารย์แล้วก็เตือนจงกลมแล้วก็เจือนปัญญาแล้วก็เตือนมรรณะสติคือชอบพวกเจริญมรรณะสติแล้วก็ดูขนันดูท่าดะไม่ไม่เศร้าหมองนะอาจารย์คือรู้สึกว่าเดินดูแล้วมันมีแรงมันรู้สึกว่ามัน มันไม่ประมาทอาจารย์รู้สึกชอบมากเลยคือเป็นคนที่อาจจะชอบในในแนวแบวนี้รู้สึกว่าเออมันไม่ประมาทมันทําให้เราเตรียมของอาจาัดดีก็อย่าไปมองอนาคตจำลืมปัจจุบันเพะอย่างนะ้นเราต้องตั้งอยู่บนปัจจุบัน ต, ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติของเราไปอนาคตเมื่อถึงเวลาไปที่หนึ่งก็ก็ค่อยว่ากัน มันต้องปฏิบัติตลอดเวลาต้องอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาบางทีเราเผลาไปคิดถึงอนาคตเลยปัจจุบันเลยไม่ได้เรื่องวุ่นวายกังวลนีเ้เขาจะปิดก็ไม่ปิดเป็นก็ไม่ไปแล้วนี่ก็อยู่แล้วก็ตรง น, นี้เราก็ปฏิบัติของเราไปคือคิดอนาคตไว้เตรียมการว่าเตรียมการเสร็จแล้วก็อยากไปคิดถึงมัน กลับมาอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกับอดีตถ้าย้ออดีตไปเพื่อทอบทวนอะไรก็พอทอบทวนเสร็จก็กลับมาอยู่ในปัจจุบันงานตั้งหลักอยู่ในปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันที่ตั้งของจิตอดีต น, นาคตมันเป็นสังขารปรุงแต่งไปถ้าอยู่ปัจจุบันมันก็หยุดสังขารได้ไม่ต้องปรุงแต่ง อยู่ก ah ับปัจจุบันก็อยู่กับงานที่เราทําอยู่กับเรื่องที่เราทําอยู่ก็จะรันสติได้งับความคิดปรุงแต่งได้มีท่านี้แล้ววันนี้ท่านี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะเพราะเขาเข้าพระอาจารย์จถึงว่ากเขานั่งสมาธิเขาได้เร็วขึ้นสงบมากขึ้นค่ะอ่าดีแสดงว่าสติเรามีมากขึ้นถ้าเข้าง่ายขึ้นเข้าเร็วขึ้นก็แสดงว่าสติเรามีมากขึ้น การขึ้นออกมาแล้วก็ยังนิ่งไม่นานขึ้นมาอาจารย์อะไรมากระทบใจไม่ค่อยคือใจไม่แกว่งแบบไม่กระทบไม่กระทบแล้วคือทางโลกเนี่ยก็ไม่กระทบแล้วอาจารย์ใจนิ่งขึ้นดีมากเลยการปฏิบัติเพื่อให้ใจตั้งอยู่ในอุเบกขาหรือไม่ยินดีลายไม่ละไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้ใจตั้งอยู่ในอุเบกขา อุเบกขาก็มีอุเบกขาชั่วข้าอุเบกขาถาวรอุบาคขาถาวรก็นิพพานมันต้องไปถึงนั้นตอนนี้ก็อาศัยอุเบกขาชั่วข้าวที่ได้จากการนั่งสมาธิก่อนแล้วก็ใช้ปัญญาคอยกําจัดความอยากต่างๆาพอหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทําลายอุเบกขาอุเบกขาก็จะเป็นอุเบกขาที่ถาวรต่อไป เหนนะอ่าอบพรคุณครจรยอาอาจารย์พรมพิไลสวัสดีเมื่อเกิดนี้เข้ามาใช่ไหมแต่ไม่มีโอกาสเข้าค่ะเข้าค่ะเขาไม่ได้ติดไปไหนนะคะก็เขาฟังทั้งทั้งวันอังคารวันพุธค่ะอกับวันสงการค่ะวีใหม่ใทยค่ะวีใหม่ครับสวัสดีค่ะอันนี้อยากจะพูดจะคุยอะไรไหม สวัสดีปีใหม่ครับพระอาจารย์วันนี้วันนี้ไม่มีคำถามค่ะฟังเดี๋ยวก็นั่งตามฟังไปค่ะได้ในนั้นก็ขอไปที่ท่านตอบไปดีกว่าค่ะนะค่ะนะดูคือเวลาที่นี่จะอยากเยอะมันการนมันสการท่านขอจารย์ค่ะว่ามามีอะไรว่ามา ไม่มีคำถามค่ะที่ผ่านมาหยุดสิบวันได้ปฏิบัติเยอะมากค่ะแล้วก็มันเย็นกายเย็นใจออกมาเลยค่ะท่านสิบวันที่ผ่านมาแต่พอมาเจอเนี่ค่ะทำงานได้สองวันมันเริ่มหายแล้วค่ะดรอปลงเลยค่ะความเย็นกายสบายใจที่มันติดตัวออกมาค่ะก็อย่าไปยึดไปติดมันก็ปลอบใจให้อยู่กับสภาพปัจจุบันปัจจุบันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอนี้ อย่าไปอยากแล้วมันจะทําให้ทุกข์ไปเปล่าๆทาให้เครียดไปมากมายได้รู้ว่าเออเนี่ยมันอันนี้จำจิต ใ, ใจเรายัางยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามพระสภาวะรอบด้านอยู่เราต้องใช้ความคิดปรุงแต่มันก็กิเลสมันก็ออกมาวุ่นวายทาให้ใจอร้อนขึ้นมาพอทำงานก็อยากจะทำมันดีฮะมันสําเร็จ พอมันมีอุปสรรคก็เลยก็เลยบูนขึ้นมาทําแบบใจเย็นๆทําไปได้อ ใ, ใ, ใช้ผลใช้สติให้ปัญญาอาดีตผ่านไปแล้วสิบวันที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วให้อยู่ในปัจจุบันเสมออย่าไปคิดถึงอย่าไปอยากให้มันกลับไปเหมือนกัอดีตมันผ่านไปแล้วอยากให้มันเป็นเหมือนอดีตก็ต้องทําปัจจุบันให้มัน ให้มันให้มันเหมือนตอนที่เราทาในในอดีตเนีก็คือให้มีสติมากๆคิดน้อยๆคิดคทันทีจะเป็นยาคิดทาติดต่อกันนะคะท่านพายาจาลรู้ที่ปลายจมูกอะคะมันยิ่งละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะยิ่งกลางคืนนี่คือ บางทีมีความรู้สึกว่าตื่นภาวนาตอนกลางคืนแล้วอยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยะคะ่ะปกติจะถ้าไม่ลุกมานั่งเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะคะท่านอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้คือแบบนอนภาวนาก็รู้สึกตัวว่าอยู่ได้นานนะคะกลางคืนก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะกว่ามันจะสติมันขาดไปแล้วก็หลับไปอีกรอบนึงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทาไปเถอิอย่าหยุดทำมากทาน้อยทําได้ทําไปไม่เหมือนเต่าอย่าไปเหมือนกระตาย เราเมื่อายไปเรื่อยๆก็ตายมันเป็นอารมณ์วันไหนมันคึกมันก็ทํำวันไหนมันขี้เกียจมันก็ไม่ทำอันนี้พยายามทําให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันตลอดวันละสกิจวัตรนี่ค่ะงั้นเดี๋ยวมันชะล่าใจคิดพอไม่ทํำบ่อยๆเข้าพอจะกลับมาทํำทีหลังทำยากแล้วเรารักษาการกระทาเราไม่ ไม่ขาดตอนมันก็ยังง่ายไม่ทิ้งคงาดท<ำ>่จากความตอลอดท้กวันค่ะวันละหลายๆรอบค่ะเราจะเก็เก<ห>ี่ยวใจรักเข้ามาแทรกอยู่เรื่อยๆคิดถึงแม่ อ, อะไรก็มีใจรักเข้ามาแทร ก, กนิดหน่อยทําำนิจําเรี่ยมันอนัตตามันจะได้ไม่ถูกกิเลสหลอกให้ไปคิดว่าเป็นนิจจำอนตา ทุกอย่างในโองนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาท้ารู้ทันก็ไม่ทุกข์ถ้ารู้ไม่ทันก็จะทุกข์ก็จะเกิดความอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอัตาแต่สมาธิที่เราเข้าได้ตอนนี้ด้วยใช่ไหมคะสักวันมันก็คงจะเข้าไาม่ได้ะอะไรมันเกิดนะมันดับนะมันก็ไม่เทียมสมาธิเข้าออกมันเป็นของชั่วก่าว หมดคำถาค่ะสติดร<า>ัาาบางทีก็เพ้อสติบางทีก็หายค่ะแต่สตินี้เราพยายามให้มันกลับมาได้เราใช้ใช้จิตนี้บังคับมันได้สติสร้างมันขึ้นมาได้กรรมปิติสร้างมันขึ้นมาได้รักษามันได้ขอบใจค่ะแต่อย่างอื่นตางทีรักษามไม่ได้คนอื่นเรารักษากา็ไม่ได้ บทีเขาจะเป็นอะไรก็จะเป็นนาไปแล้วก็เป็นรักษาไปป้องกันก็ให้เขาไม่ได้แต่สติสมาธินี่เรารักษาได้ขอให้เราขยันจเจริญฝึกไปเรื่อยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่มีค่ะเผื่อมีเดี๋ยวเราทำไปก่อนแล้วกันนะกลัขอบคุณต่อทีรนั่งคุณเอกจากเชียงรายเชิญคุณเอก กลับมาสักการพระอาจารย์ครับผมเชิญมีอะไรไหมวันนี้ครับก็มาเรียนการปฏิบัติในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพระอาจารย์วันวันศุกร์ที่ผ่านมานี้่ได้ได้แก้งกิเลสตามที่พระอาจารย์ได้แนะนํามาครับโดยอริยบทนั่งครับนั่งไปสามชั่วโมงครับพระอาจารย์แต่เป็นการนั่งในมานั่งครับพระอาจารย์มันก็เบาสบายมันไม่รู้สึกเกิด เบียถนาเลยครับพระอาจารย์หรือว่าผมนั่งไม่นานครับต้องนั่งนานกว่านี้ไหมครับก็มันจะนั่งแบบนั่งแกนไม่ไม่เจ็บก็มันไม่เจ็บครับพระอาจารย์สามชั่วโมงไม่เจ็บคนัค่งแล้วมันกระยับตัวมันก็ไม่เจ็บอืมเสร็จแล้วหลังหลังจากนั่งไว้สามชั่โมงผมว่ามานั่งเอ่อมานั่งขัดสมาธินั่งสมาธิก็ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ก็ง่วงก็ไปหลับคนระับวันวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ ก็มีวันก็วันพระครับวันพระก็ก็แกล้งเหมือนการทับแกล้งกิเลสเหมือนการับพระอาจารย์แต่ใช้อริยบทนั่งทํานั่งไปมันมันลงลึกมากครับอาจารย์แบบประมาณว่าเออมันจะเห็นมันจะเห็นไอ้พุทโธอารมณ์ของพุทโธมันพุทโธพุทโธไปไอ้ตัวที่มันเห็นเนี่ยมันก็อยู่ข้างหลังอ่ะครับพระอาจารย์มันกับพุทโธพุทโธไปอารมณ์ไปแล้วไอ้ตัวที่เห็นมันก็จะเห็น เห็นว่าพูดโทกเขพูดโธพูดโทรครับอาจารย์อยู่อยู่นานอยู่ครับคสักพักมันก็ไปรู้เอาที่จมูกพิธีว่าเอาอนี่หายใจหายใจอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์เป็นเป็นลักษณะอย่างนี้ครัแต่แต่แต่ผมก็ไม่ได้หมันนต่งครับเห้นอะไรไม่สําคัญแล้วก่นแล้วกับทําให้มันนิ่งครับผมแต่ก็ไม่ได้เป็นติงใจอะไรครับก็ก็สึกว่ารู้ไปนะครับเพราะว่าเพราะ พยายามจะให้มันได้สมาร์ที่ก่อนนะครับครับผมสัปดาห์นี้ก็มากลับเรียนงานอาจารย์ปัญญายังไม่ต้องอะไรมากปัญญาคิดเวลาออกจากสมาธิมาคิดได้กับคิดไปคิดไปตันตายลักกันได้เลยโอเคครับผมคิดถึงใครคิดถึงแม่อะไรก็เป็นตายลักไปหมดครับผมครับผมปัญญาแบบทั่วไปกับปัญญาแบบเจาะจง บญรยาแบบเจาะจงนี้มันต้องมีสมาธิมาสนับสนุนโดยเรื่องร่างกายนี้เปิดเจาะจงถ้าเราต้องการจะปล่อยวางร่างกายนี้เราต้องมีสมาธิมี่างปัญาสมาธิถึงจะมีกําลังที่จะปล่อยไหวให้ร่างกายแก่เจ็บตายได้โดยมไม่วไหวั่นไหวแต่ถ้ายังไม่มีอปันาสมาธิออกจากสมาธิมาแล้วก็พิจารณา แล้วเกี่ยวข้องกับอะไรก็บอกว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยเรามาประชุมตรงนี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เลิกกันใช่ไหมครับป็นไม่จบครับพิจารณาไ่ได้ให้มันคอยมีอะไรคอยมีปัญญาคอยตื่นใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงนะทุกอย่างไม่ใช่ของเรานะครับผมก็ปูบางครั้งมันไม่ได้ครับผมให้เป็นของเราไปเรื่อยๆไม่ได้วันใดวันหนึ่งก็จะจางอไป ครับผมครับผมอันนี้ก็คิดได้ปัญญาเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิออกจากสมาธิมาก็คิดได้ค ร, ค, รครับผมครับผมครับผมไม่มีคําถามอะไรนนครับผม เ, เ, เ, เอาของง่ายๆก่อนปล่อยวางของของนอกนอกนอ ก, นอกตัวเราก่อนนะครับผมปล่อยปล่อยลอยาบยศสรรเสริญสุขก่อนโลกธรรมลาบลาบก็ไม่เที่ยงเงินทอง ครับผมมาได้เดี๋ยวก็หมดได้นะครับตำแหน่งก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวเาก็ย้ายโยกย้ายเราปวดเราได้หรือเราถูกเขาไล่ออกจากงานมันก็ตำแหน่งก็หมดไปด้วยครับผมครับผมฐานรัเสริญก็ไม่แน่บางวันเขาก็ชมบางวันเขาก็ดา่าฐานรัศเสริญก็ตามสุขทางตาหูจมูกน้วกายบางทีก็มาบางทีก็หายไปครับผมโลกรธรรมสีโลกธรรมสี่ประการ เป็นเป็นสี่คู่มีเ<ส>จริญก็มีเสื่อมเจริญเจริญรากก็มีเสื่อมรากเจริญยศก็มีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนิทามีสุขก็มีทุกข์อากรูปเสียงกินวัดลูกเสียงกินวัดนี่ให้ความสุขกับเราก็ได้ให้ความทุกข์กับเราก็ได้ใช่ไหมเอาวันไปสำเพกับรูปเสียงกินวัดที่เราไม่ถูกใจก็ทุบขึ้นมา ไันสำใจกัรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจแล้วแล้วก็สูบ ข, ขึ้นมาครับผมครับผมอเราไปควบคุมบางข้ามันไม่ได้รูกเสียงกินรสให้เอาแต่ลูกเสียงกินรสที่ถูก อ, อกถูกใจเป็นอย่างเดียวไม่ได้ครับผมเราทําใจกินกลางไว้นะครับเพื่อใจจะได้เฉยๆวางเฉยๆไม่ไปยินดียินรักไม่ไปหลงรักมันไม่ไปหลงรักหู้ชายครับผมครับผมอาจารย์ อนะเดี๋ยอาเที่นี้ก่อนนะครับผมกลับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมสาธุครับสาธุเชิญกุงสลินตอนได้รับเงินโอนมาแล้วนะคุณสลินตอนพระอาจารย์นวัดสการพระอาจารย์ค่ะค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะปีใหม่ไทยพระอาจารย์ค่ะยมฟังพี่พี่กัลยาณมิตรทุกๆท่านแล้วก็ก่อนฟังเราก็คิดว่าโอ้เราก็ปฏิบัติพอได้นะแต่พอ เาฟังพระอาจารย์เรารู้สึกว่าออ้ยยังมีมยังยังมีหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไขก็ก็ยังต้องปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์ก็ช่วงนี้ก็แค่ก็ยังคงดําเจริญสติอแต่รู้สึกว่ามันอยู่กับตัวได้มากขึ้นอารมณ์นิ่งนิ่งขึ้นค่อนข้างจะเยอะแล้วก็สามารถทําอะไรหลายๆอย่างซึ่งก่อนหน้านี้คงเวลาทําเราคงมีอารมณ์เพราะว่าเหมือนกับชีวิตมันวุ่นวายตลอดเวลา แต่พอตอนนี้มันต้องมานั่งทําก็เริ่มรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเราก็ทําไปเรื่อยๆไม่ได้ว่าจะต้องมีอารมณ์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็ก็ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ก็ก็รู้สึกว่ามันสงบขึ้นเท่านั้นเองอะค่ะแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ยังคงจเจริญสติต่อไปอ่ะค่ะอาจารย์ให้มันว่างๆปราศ จ, จากอารมณ์ดีที่สุดค่ะอาจารย์ก็โยมก็คิดว่าเอาเอเอย่างกลางค่ำกลางคืนโยมก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิแล้วก็มีความรู้สึกว่า เหมือนตัวเองจะไม่ยอมหยุดนะคะพระอาจารย์จะไม่ยอมหยุดปฏิบัติเหนื่อยก็ยังขึ้นมาปฏิบัติอยู่ยิ่งเหนื่อยยิ่งต้องปฏิบัติพอ<ป>ได้ปฏิบัติไปไม่เสียหายอะไรหรอกการปฏิบัติไม่เสียหาย<ป>หแต่ว่าเวลาเราเหนื่อยแล้วเราก็จะกลายเป็นแล้วว่าเรานั่งสลับสมาธิแล้วมันจะวูหลับมากกว่าอถ้าหลับก็นอนมัน ก, ก็นอนแล้วก็พอรู้ตัวขึ้นมาใหม่ก็ขึ้นมาปฏิบัติใหม่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ ค่ะใครยงก็ปฏิบัติอย่างนั้นอยู่อค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสงบขึ้นแล้วก็มีสติอยู่กับชีวิตประจําวันได้มากขึ้นค่ะนอกนั้นก็ไม่ก็ไม่นชีวิตประจําวันของเราเบิกบานแจ่มใสอย่าเครียดอย่าเศร้าหมองถ้าเครียดองก็นิ่งคะมันนิ่งไม่อะไรเลย มันนิ่งมันเฉยมันเกิดจากสตินะจากปัญญารู้จำไว้แค่นี้ค่ะพระอาจารย์แต่พอฟังพระอาจารย์เราก็รู้สึกว่าตัวเองนี่ยังไม่ดีพอมันมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่มันต้องแก้มากกว่านี้มันต้องทำให้ละเอียดกว่านี้มันก็ก็ดี๋วราจะู้ว่าเราอยู่ตรงไหนในใ น, ในการเดินทางของเราเนียเพราะเรามันโลกเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางมันเดียวกันแต่บา ง, งคนก็ไปถึงึ่งทางบางคนก็ไป เพิ่งเริ่มเริ่มอยู่ต้นทางบางคนก็เกือบจะถึงปลายทางแล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ทางนี้ถูกแล้วทางนี้เราจะไม่เสียเวลาไปทางอื่นแล้วใช่ไหยคะพระอาจารย์ทางนี้จะวิเศษที่สุดทางของพระเจ้าทางของมรรคแปดทางของทานศีลภาวนาเนี่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทางเ่านี้เป็นเป็นทางสู่การเวียนว่ายตายเกิด ทางการเมืองก็พาสู่การเวียนว่ายตายเกิดทางบันเทิงก็สู่การเวียนว่ายตายเกิดทางธุรกิจก็สู่การเวียนว่ายตายเกิดมีทางเดียวเท่านะั้นทางอง์พระเจ้าที่เป็นทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นภายเราเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจดจากซึ่งดังนั้นพยายามดึงใจเราให้เข้ามาตามธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทางโลกก็ไปเท่าที่จาเป็นจะต้องไปแต่ไปเพื่อออกไม่ได้ไปเพื่อโจรอยู่ในนั้นไปเพื่อเตรียมเตรียมการที่จะมีเวลาสักวันหนึงจะได้ออกมาจากทางโลกอย่างสมบูรณ์เข้าสู0การทาธรรมอย่างสมบูรณ์ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มรูปแบบบวชเป็นแม่ชีบวชเป็นพรากันไป <c oughs> อ่าจริงๆริวตอนที่เราเริ่มปฏิบัติแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นพระ เราคิดว่านั่งสมาธิสบายดีเลยมีความสุดมันนั่งไปมันก็อยากจะสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็จะต้องอยากบวชเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์เพราะว่าเราสุกว่าทางโลกนี่มันเปลืออะไรเราไม่ได้แล้วมันไม่มีอะไรกับเราแล้วทางเรามีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ถ้าเกิดภาระต่างๆที่เราเกี่ยวข้องเกิดทั้งหมดไปเราก็ไม่จะอยู่ไปทำไม ยังอยู่ตาม น, นี้ค่ะจะเป็นว่ายังมีภาระทางโลกที่ทเกี่ยวข้องกับเราอยู่แล้วก็อยากไปไม่ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราที่ว่าเราไปถึงจุดนั้นในอย่งจุดที่เราพร้อมที่จะไปแต่บางทีอาจจะไปไม่ได้เพราะยังมีภาระเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่ก็รอให้ภาระนั้นมันหมดไปก่อนพอหมดไปพรกอมก็ไปเลยยมก็รออยู่นี้นะคะ่ะ <c oughs> ยม <c oughs> โชคดีมากๆที่ได้ สนทนาธรรมแล้วก็ได้รู้จักกับพระอาจารย์เป็นกําลังใจให้โยมตั้งใจปฏิบัติตลอดไปอะค่ะพระอาจารย์ัการนมาชการพระไม่โควิดนี่เป็นกันดีเนียมันทําให้เกิดมีซูงขึ้นมาใช่ค่ะพระอาจารย์โยมรู้สึกว่าปีที่ผ่านมากับปีนี้โยมตั้งใจปฏิบัติมากคือก่อนหน้านี้โยมเอาแต่ฟังธรรมสวดมนต์ฟังธรรมแล้วไม่ได้ือเหมือนกับเวลาเราฟังธรรมโยมไม่เข้าใจอ่ะค่ะคือฟังแล้วต้องฟังต้งงตั้งจได้จอมนี้ก็ไป ค่ะแล้วพอมาปฏิบัติปุ๊บถึงจะอ๋ออ๋อไอ้นี่นี่ อ, อ, อ๋อย่างงี้คืออย่างงี้อ๋อย่างางี้มันทําให้อยอมรู้สึกว่าโอ้เราเข้าใจมากขึ้นเรายิ่งได้มาสนทนาธรรมได้ฟังตัวอย่างหลายๆตัวอย่างจากกัลยาณมิตรท่านอื่นๆก็รู้สึกว่าเอเอไอ้เราก็มีปัญหาตรงนี้เราแก้ตรงนี้เราทําอย่างนี้มันปัญหาเดียวกันแก้ในทางเดียวกันหรือว่าทางเราอาจจะไม่ใช่แบบนี้มันก็ช่วยให้เรามีความมั่นใจในการปฏิบัติมากขึ้นว่า เราทําถูกแล้วอย่งงางเนี้ยค่ะพอาจารย์ใช่ดีแล้วละ่ก<ฮ>ะการฟั่นทำการสนานาธรรมเป็นวงกลมอย่างยิ่งการเลยนะธรรมสวรธรรมส า, ากัดฉาเอตามังกาลมุตตะมันการการสนานาธรรมตามการ ต, ตามเวลาแนวที่จะข้างเป็นวงกลมอ <ฮะ S 2> ย่างยิ <ฮะ S 1> ่งเราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อน ทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็เกิดความเข้าใจดีขึ้นทำให้เกิดนิสสัมมาทิฏฐิทำให้กระจัดความนังเลสงสัยต่างๆไปได้ทำให้จิตใจสงบผ่องใสนีการนสิสสงขอการฟังเทศเรื่องของการจนานาธรรมห้าประการด้วยกันเป็นมงคลค่าธูกะพอาจารย์ช่วงตอนนี้โยมก็จิตใจผ่องใสหลังจากที่ได้ฟังธรรมาพาอาจารย์ค่ะ ประกอบนบมตรนาที่ที่ทําบุญมานะค่ะพระอาจารย์เขาโรงเรียนปิดแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้ปิดหนึ่งเดือนเดี๋ยวกลางเดือนพฤษภาก็จะเปิดใครอยากทำใครอยากจะเลี้ยงเด็กหายังวันก็เชิญไปย่างภาพได้ <c oughs> เด็กเขาจะได้กินกว๋วยตีย๋ยวก๋วยเตี๋ยวกินอะไรร้านแปลก <c oughs> ธรรมดาเขากินกินแต่พวกไข่ก็โล่พวกไข่เจียวพวกผัดผักปุ้งอะไรตามภาษา มนานมีคนมันเกิดก็มาเลี้ยงอาหารแปลกๆมาให้เด็กกินอยู่นะแต่นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชื้อเชิญนะเพงจะเล่าให้ฟังขอบคุณไม่ได้อะไรเพยงแต่เล่าให้ยมเห็นในรูปในในรูปของเว็บไซต์ของโรงเรียนค่ะใช่มีมีพวกชาวพวกศิษยชาวต่างชาติก็มาเป็นเจ้าภาพเละอืมค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะ มีชาวสังชาติคนหนึ่งเขาถวายเงินหมื่นให้หมื่นเรียนให้กับโรงเรียนเป็นชาวบราซิลพอแปลหนังสือของเราเป็นจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาโปรตุเกสอ๋อยงยงเห็นละค่ะเป็นผู้หญิงค่ะอือสาธุค่ะสาธุอับปุญเขาเลยโอเคนะเดี๋ยวไปที่ร้านรัน คจะเอาเยินอนอกทางมากเกินไปคุณฟ้าคุณฟ้าเีเรนูตเซเร น, นสิสุดนะสีพิสดเจ้าค่ะสีพิสดอยู่ที่ไหนอยู่ที่อเมริกาค่ะหลวงพอ่อเป็นอะไรมอนทรีออลเหมือนเดิมค่ะมอนทรีออลตรงไหนน ะ, ะมอนทรีออลอยู่ตรงไหนที่อยู่ใกล้วัดหลวงปู่มั่นนะคะหนูมาเข้าเข้าซูมอาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะหลวงพอ่อ มอนทรีอละค่ะมอนทรีอลแคลิฟอร์เนียที e. ่ออน o ทรีโอออทมอนทเอ็เรอเอ็มโอเอ็มโอเอ็มโอเอ็มโอเออเอมโอเอ็มโอเอ็อเอ็่โอเอมโอยอมโอเอ็มโอเอ็มอเอ o มโอเอโอเอ็มโมโออมอเอ็มาอเอ็มอเอ็มโอเอ่อเอ็ม่อเอ็มโอเอมโอเอ็มโอเอมาอเอ็มอ่ะ็มโออมโออ็มโมโเมอโ็็มออมอ ใช่ค่ะใช่ค่ะวัดพลิดาตตาะไรอาวัดอภัยทิรียรค่ะหลวงพอ่ออภัยทิเลียนั่นเป็นสายหลวงปู่ชาค่ะก็ก็เดิมเลยยังมีสายหลวงปู่มั่นอยู่แถวนี้เหรอคะใกล้กว่าไจอหาอยู่อยู่ตอนใต้อยู่อยู่ตอนใต้ก็มีวัดเมตตาของพระอาจารย์เจฟฟี่อยู่ใกล้จััดอ๋อวัดเมตตาวัดเมตตาอ๋อค่ะแถวซันเดียโก้ค่ะหลวงพอ่อ ในการแซนเดโกแซนเดกเจ้าค่ะหลวงพ่อมีคำถามเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าปฏิบัติตลอดตั้งแต่ที่หลวงพ่อบอกว่าให้ไปนั่งสมาธิเพิ่มอะค่ะแล้วก็คุณหนูเดินจงกรมแล้วก็นั่งนั่งหลายบรรลังตลอดติดต่อกันเพราะว่าช่วงนี้ป่วยก็ไม่ได้ทำงานอะค่ะแล้วก็มีคนอื่นทำงานให้เราเราก็ ไม่ต้องไปวุ่นวายมากก็เลยมีเวลาเพิ่มขึ้นข้อที่หนึ่งคือตอนนอนนะคะแล้วก็กำหนดจิตนอนนอนดูกายะคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็พอพอใกล้หลับเนี่ยฝันเห็นเห็นเห็นเหมือนเป็นผีอะคะ่ะแล้วก็ใส่เสื้อใส่ผ้าขาดฟันหลอเราก็มีจิตรู้จิตรู้ว่าเห็น ว่าเป็นเจตสิกบุงแต่งแน่นอนเพราะว่ามันบอกอย่างนั้นแล้วก็ดูไปก็ก็รู้ไปแล้วก็เหมือนก็จิตก็บอกว่าขอบคุณที่มาให้ดูความเป็นจริงว่าอีกหน่อยเราก็จะเป็นเหมือนท่านแล้วก็แล้วก็หลับไม่มีความกลัวเหมือนแต่ก่อนนะคะแล้วก็ออพอตื่นขึ้นมาก็ไม่ไม่ไม่ได้ใส่ใจก็ไม่ได้สลดสังเวชมากแต่ว่าคือรู้ว่า ความตายก็ก็มีอยู่อ่ะค่ะหลวงพ่อก็ไม่มีอะไรมากตรงนั้นคำถามปัญหาอะไรถ้าใจเราไม่ไปตกใจไปกลัวก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วก็ข้อที่สองค่ะ <c oughs> พิจารณาต่อไปแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้้ค <c oughs> ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อ <c oughs> แล้วก็ข้อที่สองก็เวลา ตอนนั่งรถเนี่ยเพื่อนขับรถนะคะเขาก็เปิดเพลงเสียงดังแล้วก็เราก็ร ว, รวมสมาธิะคะ่ะคือดูกายกับจิตตลอดขณะนั่งแล้วก็เพลงมันก็ค่อยๆเบาลงเบาลงะคะ่ะเพราะว่าอยู่กับกายกับจิตแล้วก็อาตยานาสิที่มาสัมผัสคือโสูตประสาทเสียงกระทบหูแล้วก็รู้แล้วก็วางวางแล้วก็เข้ามาอยู่กับกับจิต แล้วก็ดูกายเพราะจิตบางทีก็เร็วไปอะค่ะหลวงพ่อจะดูเขาไม่ชัดก็เลยดูกายแทนแล้วก็มาดูจิตแล้วก็เข้าสู่ลมหายใจอ่ะค่ะหลวงพ่อพองยุบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนมันมันหายเข้าไปเลยเสียงเสียงที่กขาทุบดังๆลั่นแบบเขาเปิดลั่นแบบตามสสวัยรุ่นของเขาไปแล้วเราก็ฟังแล้วก็จิตมันรวมแล้วมันก็หายไปเลยแล้วก็เสียงเพลงมันมันเหมือนอยู่คนละโลกเลยโสมัน <c oughs> พอจิตสงบแล้วมันก็ปล่อยว่างใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็ก็รับฟังที่หลวงพ่อบอกให้ดูให้เป็นสมาธินั่งให้นานแล้วก็เข้าใจว่าที่หลวงพ่อบอกว่าให้หนูเพิ่มพลังสมาธิเพราะตอนเดินเราเดินเราเดินมีสติมันจะนิ่งกว่าแล้วก็พอเข้าสู่การสมาธิชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีคือหนูจะเริ่มสิบนาทีถ้ามากกว่านี้มันจะแบบจิตเหมือนมันยังไม่ค่อยไอเนี่ยค่ะ แต่ว่าพยายามเพิ่มบัลลังค์คือทุกทุกสิบนาทีเพิ่มขึ้นไปแล้วก็เหมือนกับว่ากาลังของสมาธิอะคะ่ะมันช่วยให้เราเมีสติอยู่คงอยู่แล้วก็มีพลังที่จะสู้สู้กับกิเลสอะคะ่ะหลวงพ่อเวลาเขาเข้ามาแล้วเราก็เห็นเขาชัดแล้วเราก็สามารถที่จะจัดการเขาได้ก่อนที่เขาจะจัดการเราทุกครั้งไปแล้วก็เหมือนกับไม่เหนื่อย<ม>อะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วก็ข้อที่สามก็คือพองยุบเห็นชัดนะค่ะหลวงพ่อคือท้องมันพองสั้นเบาถี่จนแบบมันหายไปเลยหลวงพ่อมันหายไปแล้วก็จิตเกิดความกลัวกลัวหายมันไม่มีลมมาหลวงพ่อเพอะไม่มีลมแล้วมันแบบเหมือนเหมือนจิตมันสั่งให้ร่างกายมันหายใจลึกๆก็ค่ะแล้วก็มันอ มันนั่งอย่าไปกลัวอย่าไปสั่งมันไม่รู้ก็ให้รู้ว่ามันไรเฉยเชยกนะลัวไปแล้วเสร็จไปสองรอบเป <c oughs> แบเนี้เราก็รู้ว่าเราพลาดเขาถึงสองรอบแล้วก็ <c oughs> ก็ยังกลัวตายอยู่ดีความหมาย <c oughs> ใช่ไหมคะหลวงพ่อหนูเชยเฉย ว, วา่าไดนมีตัวรู้อยู่นี่ไม่ตายคนะ่ะ <c oughs> แล้วก็ ก็ตอนคันนี้ก็คุยกับคุณแม่เนี้ยค่ะแล้วก็มีการที่ว่าคุณแม่เขาก็เล่ า, เ ล, าเล่าเรื่องราวแล้วก็มีการทํามีคนทําให้คุณแม่เขาไม่สบายใจแล้วก็ทําให้เราเกิดความทุกข์แล้วคันนี้หนูก็เหมือนกับกําหนดแล้วมันก็มีจิตเหมือนจิตตัวเราตัวเล็กๆ อยู่ดีๆมันคนนี่แหละหลวงพ่อแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นแล้วก็มันกลายเป็นยักษ์ค่ะหลวงพ่อแล้วก็มันมันมีตะบองด้วยบองเพชรอ่ะแล้วแล้วบอกว่าดูเขาไปเรื่อยๆเขาก็มีอย่าไปดูดีกว่าอย่าไปสนใจดีกว่าหลวงพ่อกลับมาดูลงเมื่อกลับมาที่พุทโธดีกว่าค่ะค่ะหลวงพ่อแต่แต่ค่ะหลวงพ่อหนูก็ ค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ก็ประมาณนั้นแล้วก็เหมือนจะเห็นตัวเองว่าโทสะกําลังเกิดแล้วก็พอเราเห็นโทสะเกิดเหมือนหลวงพ่อบอกหนูก็กลับมาอยู่กับคุยกับคุณแม่พอตามปัจจุบันใช่ไหมเจ้าค่ะอ่ะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับพุทโธอยู่กับรมหาใจเราจะได้ไม่มีอารมณ์อย่าไปอยู่กับนิมิตไปเอยู่กับเรื่องเดี๋ยวก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้ได้ค่ะหลวงพ่อ นั้นก็ทําถูกแล้วคือให้อยู่กับปัจจุบันทุกขณะอ่าถูกต้องค่ะละามาสายพุโทโธเดินใจไว้อย่ให้ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตหือตามนี้เรื่องลูปนิมิตต่างๆที่มาปรากฏอย่าสนใจมันเป็นภาพมายาทั้งนั้นเนะเพื่ออยู่ปัจจุบันตลอดเวลาถ้าสมมติเราคุยอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยก็คือเอาจิตให้อยู่กับการคุยกัน เวลาฟังก็ฟังเวลาพูดกั็พูดค่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมคะเราปฏิบัติให้มากขึ้นไปได้เล ย, เลยค่ะหลวงพ่อ <laughs> ผลอยู่ที่ผมอยู่ที่การปฏิบัติปฏิบัติน้อยผลขน้อยปฏิบัติมากผลก็มากตอนนี้ทําตลอดเลยค่ะแล้วก็วันโบนวันพระไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อ ใ, ให้เหมือนกับไปจ น, นกว่าจะถึงนิพพานหรือถึงนิรันดร์นกว่าจะตายเป็ยังไดอย่างไางนึ่ง ก็ก็คิดไว้อย่างงั้นนะคะหลวงพ่อถึงจะอยู่ได้ค่ะไม่งั้นมันไม่หยุดก็มันจะปุงของมันไปเรื่อยๆโอ้อยากมีตอนนี้หนูก็คือเอาปัจจัยสี่มือนที่หลวงพ่อบอกมันจะมีปัจจัยห้าหกเจ็แปดเป็นร้อยเป็นล้านก็มันก็ไม่เคยพอหนูเห็นจนมันมันเหนื่อยอ่ะค่ะหลวงพ่อก็เลยปล่อยมันไปเลยมันมันหรอดใช่ค่ะเกือบตายไปแล้วก็ตายไป กี่ชาติกี่ชาติก็คงจะประมาณนั้นนะหนูว่าเพราะว่าชาตินี้เหมือนกับจะจะรู้ทันเขาเยอะกว่าเพราะเขาหลอกให้หนูไปทําทํางานจนอายุขนาดนี้แล้วแต่หนูปฏิบัติมาตลอดแต่ก็ยังยังพลาดให้เขาให้เขากินไปเพราะความอยากนาากี่แหละค่ะหลวงพ่อไม่งั้นหนูโกนหัวนี่หนูไปสองรอบแล้วนี่รอบที่สามหนูเบื่อผมมากเลยเนี่ก็แสลับไปครึ่งนึงแต่ตอนนี้มันหนาวมากโกนไม่ไหว ร อ, อให้มันหน้าร้อนอยู่ก้นไปเลยลอกขาดเหมือนต้องมานั่งหวีผมแม่หลวงพ่อก็ก็รอบวชแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้ถ้ามันติดพาราทางโลกมันหลวงพ่อว่าก็คือไปยังไม่ได้เหมือนกับโดนโดนติดล็อกอยู่แต่ไม่เป็นไรใช่หรูงพ่งงงอจะฟังคนอื่นอันนี้ก่อนนะ ไปที่คุณไอไมโฟนก่อนอยู่ที่หัวมุมเนี่ยหัวมุมจอนี่นะครับได้ยินไหมคุณไอไมโฟนคุณหมอหรือเปล่าไอไมโฟนกดอันนิวเลยอันนิวนี่อันนิวกดอันนิวโอเคมาจากที่ไหนคุณไอไมโฟนหายไปไหนนะขอได้าพูดเอ อ, อ, อยู่อ ย, อยู่ข้างล่างแล้วครับอาจารย์ นุ่นนงอ่าัพูดพูดได้เลยครเอาใหม่กดอันนี้มาแล้วพูดครับพูดพูดได้เลยครับ<ต> พ, พ, พูดใกล้ๆไม่หน่อยครับเข้ามาใกล้ๆเพราอาจารย์เจ้าค่ะพอดีโย่เคยฟังรมของพระอาจารย์มาตลอดเข้ามาดูคลาแกเจ้าค่ะมีอะไรหรือเปล่า ยมไปปฏิบัติทำมาแปดวันเจ้าค่ะแล้วโยมก็ปฏิบัติแล้วก็ก็เลยอยากสอบถามจารย์ว่าต้องทำยังไงเะ้ขาขปฏิบัติแล้วมันลมหายใจจากที่เคยยาวๆค่ะอาจารย์มันก็จะสั้นลงไปตรงที่หปังปีกก็ก็สั้นลงสั้นลง ข, นขึ้นขึ้นลงลงแโดนขึ้นลงเร็วๆเจ้าขาแล้วก็มัน ไยุดหาใจอะเจ้าค่ะทีนี้ก็พอถองสภาวะนั้นมันก็เหมือนร่งการมันก็พังกกระตุกไปแค่เจ้าค่ะทีนี้ต้องทำยังไงต่อเจ้าค่ะเอเราดูลมเฉยๆไปนมจะสั้นจะยาวไม่ต้องไปกังวลกับมันปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเราเพียงใช้นมเป็นที่ตั้งสตินั้นให้เรารับรู้ให้เรารู้เฉยๆ ไม่ต้องไปยุ่งกับลมไม่ต้องไปคิดว่ามันทาไมถึงสั้นถึงยาวอะไรนั่นสกให้รู้ะไย มันไม่คิดอะไรมันนิ่งมันเฉยสัากจัว่ารู้แล้วก็มีความสุขมันคือสมาธินั่งสมาธิเพื่อให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเพียงดูลมไปเรื่อยๆลมมันจะสั้นจะยาวไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่าไปบังคับมันเขาแต่พอมาชีวิตกระจวันก็ได้ค่อยทันอารมณ์ อาเวลาใช้ชีวิตประจําวันก็ดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่ดูร่างกายไปเรืร่อยๆนะครับการอาบน้ําก็ดูไปกําลังอับน้ํากําลังกินข้าวก็วดูว่ากำลังกินข้าวเฝ้าดูร่างกายอย่าไปที่อื่นดูร่างกายเป็นเหมือนลูเหมือนนักโทษเราเป็นตํารวจต้องคอยเฝ้าร่างกายตารวจอย่าหนีไปเที่ยวอย่าไปไปอดีตอย่าไปอนาคตให้อยู่กับร่างกายไปเรื่อยๆ ก็ดูดูร่างกายไปเบาๆไม่ต้องกําหนดอะไรสิ่งเฉยๆเบาๆไปอ่าไม่ต้องกําหนดอะไรก็กําหนดร่างกายเป็นสิ่งที่เรากำหนดตอนนี้ร่างกายกําลังเดินนะกําลังยืนนะกำลังนั่งนะกลังนอนกําลังอาบน้ากําลังลหน้ากําลังแปลงฟันให้อยู่กับร่างกายไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปอยู่ที่อื่นเข้าใจไหมใช่เจ้าค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพแล้วอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะ เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะไม่สู่ครั้งแรกกับากับมาโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ ะ, ะ, ะาการกลัมาครั้โอเคครับกลับไปที่ทคุณจอยอคุณจอยตอนนี้อยู่อยู่บ้านหรืออยู่วัดอยู่กลับบ้านนล้วเหรออยู่บ้านค่ะอ่า เพราะว่าไอคนเล็กเขาร้องงอแงค่ะออเลยเลยต้องพากลับเลยต้องลาศิษากลับตอนเย็นอ่ะค่ะอ๋อก็เขาเขาให้ให้เอาไปอยู่ด้วยได้ด้วยธรรมดาก็ไม่ก็ถามที่นั่นเขาบอกว่าเด็กไม่ให้ค่ะเขาให้แค่อายุสิบ้าขึ้นไปถึงจะได้สามขวบเขาไม่ให้อ๋อแล้วแล้วมันล้องที่ไหนน้องที่บ้านร้ อ, องเรียกาเราเนี่ย ใช่ค่ะร้องเรียกหาแล้วเหมือนเขาไม่สบายเป็นน้ำมูกอก็เลยลาสิกขากลับก่อนจะบอกพ่ออาจารย์อยู่ว่าเดี๋ยวพอหลังส่งการแล้วก็จะย้ายบ้านไปอยู่นนท์ด้วยนะคะย้ายไปอยู่ที่ไหนนนทบุรีค่ะทํำไมเปลี่ยนงานนะคือเปลี่ยนงานแล้วก็อยากจะไปแบบคือทํางานที่นี่ไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติเท่าไหร่ค่ะอยากจะไปหาอะไรที่ทําเองแล้วก็ปฏิบัติได้ด้วยอะไรอย่างนี้ยค่ะ ที่นอร์เวยเป็นเป็นบ้านของพี่น้องอหรือว่าค่ะค่ะเป็นบ้านของทางญาติๆกันนะคะอ่าด็โอเคก็ต้องไปหมดเลยดูก็<อ>ต้องย้ายโรงเรียนไปด้วยนะค่ะย้ายโรงเรียนไปด้วย<อ>แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาโอกาสมาหาวิทาลย์ตลอดนะคะก็เนี่ยหาแบบนี้ก็ได้ง่ายดีหาในสูมใช่ไหมในสูมง่ายี มันก็จะไม่มีเวลาได้คุยถ้า ม, มาที่ปกติมันจะไม่ค่อยมีเวลาได้คุยนะแต่ว่าอยู่วัดก็ดีนะคะแต่ว่าหมาหอนนิดหน่อยค่ะหมาเยอะหมาก็มาปล่อยแล้วมันก็น ก, นก็อย่างเงี้วัดก็เป็นที่อยู่ของหมาคือเราก็แบบเหมือนจิต ก, ก็คิดไปว่ามีผีหรือเปล่า ไม่มีหรอกมันก็คนก็อยู่นี่มาเราอยู่นที่มันต้องมันต้อกี่สิบปีแล้วไม่เห็นเจอหนึ่ากี่คึงกา่คนหนึงพี่คนหนึ่งกี่คนหนึงกี่คนหนึ่งกี่คนหนึ่งกี่คนหนึ่งกี่คนหนึ่งกี่คนหนึงกี่คนหนึงี่คนหน่งกี่คนหนงี่คนหงกี่คนหงกี่คนหนึ่งกี่นหลอกงี่คนห่งกี่คนหนึ่งกคํานี้หผงกี่คนหนึ่ก็คือเร่เนี่ยเหาตัวเราเนหงคนหนงกี่คนนผงี่นนีอะไรนึ่งนน่ ก็ว่าอย่างาต่างต่างน่าจะหลอกตัวเองอยู่เพราะว่าจิตมันให้เราคิดไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออเหมือนชอบหลอกตัวเองจิตร้อนค่ะใช้พูดโธสู้มันเวลมันหลอกเราก็พูดโทรพูดโทพูดโธรไป<ะ>ก็ต<ะ>ีปโซไปดีค่ะได้ม า, าอยู่นั่นก็สงบดีค่ะอ่าดีเป็นครั้งแรกแล้วเคยมาอยู่หลายครั้งเคยมาครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วค่ะโอเค ถ้า ม, มีโอกาสก็มาได้อยูุ่งเท่ก็ยังมาได้ค่ะค่ะคุกพ้อเดี๋ยวจะมาใส่บาตรแลบาตรที่หน้าจะย้ายจะย้ายไปเมื่อไหร่ก็หนูกล่าวว่ารอถามนี่โรงเรียนเด็กๆก่อนแล้วว่าเขาเขาจะให้เกตเมื่อไหร่แล้วก็ลาออกแล้วก็ย้ายค่ะโอเคน่าจะวันเสาร์นี э nails nails anyway> ้จะไปใส่บาตรก่อนโอเค สาธุค่ะสาธุนะฌานกุณทวิสาจากสวิตเซอร์แลนด์อนนุโมทนาที่ได้โอนอนบุญมาให้นะค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์กับสวัสดีพระอาจารย์ค่ะก็จะเรียนปฏิบัติที่อาทิตย์ที่แล้วค่ะพระอาจารย์ว่า ตอนนี้เข้าใจการทำสติอ่าระหว่างวันมากขึ้นเลยค่ะพระอาจารย์เมื่อเช้านี้ที่พระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าให้ให้เราตื่นขึ้นมาเราให้เราดูซิว่าเราจะพูดโทรได้นานแค่ไหนใช่ไหมคะเออแล้วเราจะหายไปยังไงเออโยมก็ทำไปเอ๊ะมันก็หายมันก็หายแล้วทีนี้โยมก็เลยแบบว่าเอ๊ะทำไมทั้งอาทิตย์ก็พยายามตั้งใจแล้วมันหาย ห ม, หมายถึงว่าพยายามทําดูเอ๊ะทำไมหายทํามันมั น, ม, น, ม, นมันไม่ได้มันไม่ได้ผลพอดีเมื่อเช้าค่ะพระอาจารย์ถึงบางอ้อโยมเดินไปที่สถานีรถไฟค่ะเพื่อเพื่อจะไปที่ร้านทําตุละก่อนแล้วทีนี้ยมก็เลยเ อ, อตอนเดินยมก็ซ้ายขวาซ้ายขวาทีนี้ทุกครั้งโยมก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปทีนี้ยมเลยเอ๊ะทำไมมันแบบนี้มันไม่ได้ผลแล้วโยมก็เลยปักจิตลงตรงที่แบบ ซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาค่ะค่ะพระอาจารย์ทีนี้ยมถึงบาง อ, อ้อิที่ผ่านมายมยมทำเป็นแบบภาวนาซ้ายขวาหรือว่าการจเจริญสติเหมือนนกแก้วนกขุนขอทองคือเหมือนมันลอยๆแบบไปกับคำคือค่ะทีนี้ยมก็เลยเยมเข้าใจแล้วกันว่าฝึกสติระหว่างวันที่จริงๆมันต้องจดมันต้องจอดจริงจริงไม่ใช่เท่ากับใช่ค่ะพระอาจารย์ยมก็เลย อ้รู้แล้วที่ผ่านมาคือยมแบบเหมือนที่พระอาจารย์เคยพูดเอคล้ายๆกันว่าเหมือน Nokia, Nokia, Nokia, นอกแก้วนกขุนทองพบาลนาไปอาศัายฟวาพุโทโธพุโทโธแต่ว่าใจมันไม่ได้จดจ่อมันก็เลยมันก็เลยคิดนู่นไปอ่ะกลับมาดึงใหม่คิดนู่นกลับมาดึงใหม่ทีนี้ยมเข้าใจแล้วพอเมื่อเช้าจนถึงยมถึงบางอ้อจริงๆทีนี้เลไม่เผออะไรไหมอยู่กับมันได้ค่ะคื อ, อคือคือแบบว่าโอ้ตั้งเพลออยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าแบบว่าแต่ทุกครั้งที่ทําแล้วรู้สึกมัน มันแน่วมันมันแน่วแน่ในการแบบมันมากขึ้นนะพระอาจย์รู้สึกแบบน่นนะมันนั่นไปกับใจมันใช่ค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะยงก็เข้าใจว่าอ๋อที่ที่พระอาจารย์หรือหลวงปู่บอกว่าอให้พุดโทษแนบอยู่กับใจติดอยู่กับใจมันเป็นยังไงค่ะตอนนี้ยงเข้าใจมากเลยค่ะคือเมื่อเช้านี้นี่เองสาธุทีนี้ก็ทําให้มันทําให้มันบ่อยขึ้นมากขึ้น ค่ะตภางใจแล้วค่ะดีนี้ก็เลยค่ะน่าสมาธิจิตจะสงบง่ายเร็วค่ะภาคใจค่ะเดี๋ยวก็เลยรู้แล้วว่าโอ้พุทโธแนบกับใจติดแนบกับใจนี่มันมันต้องแบบนี้อะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราผิดทำผิดกันตลอดเรียกสันติโกผู้ปฏิบัติร่ำรู้ได้ด้วยตัวเอง คือแบบว่ามันผิดมาตลอดเลยมันมันไม่ใช่เลยเห็นปากว่าเห็นปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นใช่ไหมใช่ค่ะพระจางคืนเมื่อเช้าคนเห็นครับเห็นแล้วเหมือนกับอเจารย์โบราณก็เห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเหรอค่ะก็ไม่เข้าใจคํานี้แบบว่าแบบตึ๊กเข้าใจเลยค่ะว่าโอ้มันอ๋อแบบนี้ที่เขาเรียกว่ามันแนบสนิทใจมันเป็นอย่างนี้เองเราเราต้องทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระจารย์ก็เลยโอ้สาธุ เข้าใช่แล้วรสดงก้าวไกล้เริ่มเข้าสู่กระแสรสัมผัสสติตัวจริงแล้วใช่ไห ม, <c oughs> ไมน่าต่อได้จบเชื่อ <c oughs> มันได้เชื่อมันใช่เ่พระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกเห ม, มือนจะชื่อยมเข้าใจเข้าใจจริงๆหน้าต่อไปก็พยายามฝึกตามตามนี้ค่ะ <c oughs> ทำ <c oughs> นี้ไปไเรื่อยๆทำให้ ม, มา่ะ <c oughs> สตินี้ไม่มีพิษมีภายมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ ค่ะขอบพระจารย์แตพอมีเวลาว่างก็ต้องนั่งคขอบพระอาจารย์ใจเรียบ น, นั่งมันจะสงบมันจะนิ่งได้มากกว่าการเดินค่ะพอดีจังเราว่างวันไรเราก็นั่งแล้เราเราไปเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อตอนช่วงไปสายก็ลองคือคือบ้างจาัองหวะรออะไรสักอย่างหนึงก็นั่งเราก็เอึ้งใช่แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเห็นผล เริ่มแล้วค่ะนั่งก็ดูลมก็ได้เราเินดูเท่านั่งก็ดูลมแทนค่ะค่ะปะ้าาใช้พูดโทรก็ได้ค่ะสติทำไปเรื่อยๆนะดีใจด้วยค่ะปะ้าจางค่ะกลับขอบพระคุณป้าจางค่ะธรรมะพระพุทเจ้าไม่เป็นมันนะไม่เป็นค่ะปาจาง <laughs> คือนะคือเรายงตอนแรกเรา นเราเหมือนเดมหมือนรู้จักชื่อหลว่ออาจารย์หมอจริงๆตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะเห็นไปด้วยเหตุด้วยผลอ่ค่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีค่ะพระอาจารย์เรียนกับเรียนพระอาจารย์เรื่องนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติฝึกต่อไปค่ะฝึกต่อไปอ่าดีทำไปได้เรื่อยนะกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางค่ะสาธุพระอาจารย์ค่ะเช่นคุณยินดีต่อ คุณยินดีจากเซาแคลินค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์แลวก็เดวิดกล่าวสวัสดีปีใหม่ท่านอาจารย์และขอให้ท่านอาจาร ย, าาารย์สุขภาพแข็งแรงคะ่ะอ่นนาสาธุค่ะก็ไม่มีอะไรคะ่ะลูกขอรับฟังค่ะโอเคเออยู่นชื่ออะไรอี่หนูอยู่ี่ชื่ออะไรโคลมเบียออ Columbia, ค่ะโคลัมเบียเซาลนโอเคนะ okay. ค่ะค่ะ ยังไม่มีกําหนดย้ายใช่ไหมยังค่ะท่านอาจารย์ก็เออ่หลืออีกก็เหลือปีครึ่งอะค่ะถ้า่างนั้นก็<ช>ค่ะท<ช>ันวาก็ครบสองปีนะคะถ้าเกิดทันวาแต่ไม่ก็อันนี้เซนหินบ้างเีนบ้างได้สองเข็มได้ใช่ไหมยังค่ะเดี๋ยววันที่ยีบสี่เนี้ยค่ะหนูจะไปครบเอเข็มที่สองนะคะท่านอาจารย์แล้ว ก, ก, ก็ก็คุยกับเดวิดอยู่ว่า อ, อปีนี้จะได้กลับเมืองไทยอีกไหมนาะก็เนี้ยค่ะท่านอาจารย์ตอนนี้ย่าพูดมากำลังระบากเยอะทีเมืองไทยแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์แต่หนูก็ดีใจที่แบบได้กลับท่านอาจารย์ที่ตรงซูมเนี้ยค่ะท่านอาจารย์ อ, อ, อ ค, ค่ะโอเคนะค่ ะ, ะ ส, าสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์คุณสุธาเสนจากกรทุมทานีนเป็นศัตวแพทย์เนรอ เป็นสตอแพทเจ้าคะ่ะเอ็งเป็นการพได้ไหายมั อ, อ้าววัค่ะได้ยินไายเจ้าคะได้ยินค่ะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีเจ้าค่ะเข้ามารับฟังค่ะโอเคเองเขาขอไปที่ด้านต่อไปนะเจ้าค่ ะ, ค, ะคุณพ ร, รุดาพ ร, รุดาจากสัติน ชนบุรีการธรมชาการเจ้าค่ะไม่มีคําถามเหมือนเดิมค่ะโอเคปไปนะยังปฏิบัติต่อเนื่องนะต่อเนื่องค่ะแล้วก็วันแล้วก็เสินแปดอาทิตย์ละวันอยู่ค่ะโอเคค่ะ น, นี่อดทั้งวันเลยหรือเปล่าไม่อดเฉพาะเขาที่แล้วอดทั้งวันค่ะ<น><น>เมื่อสุดที่แล้วค่ะ<ด>ค่ะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะ น, นะสะดวกค่ะ อืมโอเคค่ะทาต อ, นะทอบกันหน้าค่ะพระอาจารย์ขอวักก่อนค่ะคุณบางวายเชิญคุณบางวายจากบ้านอาเภอทํางานที่บ้านอำเภอแต่อยู่ศรีราชาค่ะขบับรถมาไกลเลยคะ่ะกลับนมัสการพรอาจารย์คะ่ะอ่าขออนุญาตแจ้งเรื่องสถานการณ์ก่อนนะคะก็เอ่าพอดีทราบจากโพสต์ไทม์ไลน์หลายๆที่ว่านายก แล้วธรรีท่านอาจจะสั่งล็อกดาวน์อะค่ะซึ่งก็จะเป็นสามจังหวัดก็คือในกรุงเทพมีเชียงใหม่แล้วก็ชลบุรีนะคะเท่าที่ทค่ะเพราะว่าพอดีมีพี่ที่รู้จักกันเห็นเขาบอกว่าน่าจะประมาณหลังสงการทั้งผู้ว่าท่านน่าจะประกาศล็อกดาวน์เผื่อว่าญาติธรรมท่านใดต้องเดินทางมาปฏิบัติธรรมนะคะ S <S ก็ออรับสองการครัพรุ่งนี้ในวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้วันที่สิบห้าก็บอกว่าส อ, องสาวันผู้ว่าท่านน่าจะประกาศนะคะอืมค่ะอันนี้เป็นความรู้ความรู้น้ำหรือว่าอย่างนั้นหรือว่าเออจริงๆมีโพสต์มาค่อนข้างเยอะแล้วค่ ะ, ะทีนี้ก็ค่ะก็มีมีหลายเพจนะคะอย่างเช่นของของอ่อมพัทยาแล้วก็เพจหลักๆแล้วก็ของของที่สีราชาก็มีโพสต์เหมือนกัน ก็เลยลองตรัวสาไปถามทีเดียวก่อนแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าจะเดินทางเข้าออกน่าจะเหมือนเดิมคือต้องทำหนังสือเข้าออกอะะที่ทางหน่วยลวค่ะโอเคสาทุส่วนวันนี้นะคะโยมก็ได้ฟังเทปเทปธรรมะที่ที่ ถามพระอาจารย์เทศบนเขานะคะมีะประโยคนึงที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของหลวงตาบัวค่ะที่ท่านปฏิบัติธรรมหลังจากที่หลวงปู่มั่นท่านได้มรณาภาพไปแล้วสําหรับปิดปริศนาธรร ม, มค่ะที่พระอาจารย์พูดถึงว่าที่ไหนมีจุดมีต่อมที่นั่นที่นั่นมีมีพบมีชาติโยมก็เลยอยากจะจะฟังต่อค่ะว่าสรุปแล้วปิศนาธรรมตัวนี้เขาพูดถึงอะไระคะ่ะ พูดถึงตัวอวิชามจิตอวิชาอวิชาอวิชาตอนตอนท่านก็ไม่รู้คือจิตที่มันจิตที่มันเด่นตอนนั้นจิตของท่งนานนแบบว่ามันสว่างสวัยตัวความสว่างสวัยคือตัวตัวจิตอวิชาตัวตัวผู้สร้างภพสร้างชาให้ผู้ที่มีความหองไปยึดไปติดอือ ก็บอกว่าเราเราไม่ควรจะไปยึดไปติดกับอะไรเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่ารูปเสียงตัวิตแต่จิตมันก็ไม่เที่ยงมันเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปอย่าไปอยากให้มันสว่างเพราะว่าตอนที่มันสว่างมันรู้สึกมันอัศจรรย์ใจมันสว่างขอก็วิชานี้มแต่ถ้าไปติดพยายามไปรักษามันก็เท่ากับรักษาภกชาติแล้วแก้ยังไงอ่ะค่ะพระอาจารย์ ก็ต้องพิจารณาว่าเป็นไตรักไปแสงสว่างเป็นไตนตักใเที่เกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวมันก็จางหายไปเวลามันจะจางนี้ถ้าไปติดมันก็พยายามใช้สติใช้ปัญญาพยายามดึงมันไว้พยายา ม, มพุทโธพุทโ ธ, พ, ทธพยายามไม่ให้มันถ่ายให้เลยส่วนเรื่องของการภาวนานะคะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าสมาธิโยมเข้าสมาธิ ได้ดีขึ้นนะคะแต่จิติดีดีน้อยยมก็คิดว่ายมทำไปเรื่อยๆทำไปทุกวันทำสติเนี่ยตัวสาคัญเวลาไม่ได้นั่งสมาธินั่งใช้ต้องเจริญสติเป็นหลักเลยนะสติเป็นเป็นเหตุสมาธิเป็นผลนะไม่มีสตินั่งสมาธิไปก็ไม่มีวันที่จะได้สมาธิพยายามฝึกสติให้มาก ความกดดันเปรียบเทียบเป็นเหมือนเป็นเหมือนเท้ารอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดได้ป่าปัจจสตินี้ยิ่งใหญ่มากสําคัญมากขาสติแล้วทำยังเหมื่นเกิดไม่ได้อืที่เกิดไม่ได้ปัญญาเกิดไม่ได้วิมุตติหลุดพ้นเกิดไม่ได้นิพพานเกิดไม่ได้อย่างนี้ อยาไปเห็นอะไรมีคุณค่าสําคัญกว่ า, าการเรียนรู้สตินะค่ะดูจะน้อมนําแล้วก็ไปนําไปปฏิบัติส่วนเรื่องการเอ่อเพ่งกสินนะคะเมื่อวันยมจําไม่ได้แล้วว่ายมถามพระอาจารย์น่าจะเป็นวันอาทิตย์มั้งคะพกะรกรักภาษาอังกฤษพูดถึงเรื่องของการเพ่งกระสินแล้วก็การมองสีอะคะ่ะทีนี้พระอาจารย์พระอาจารย์แจ้งว่าสีเนี่ยกําหนดได้เองก็ อ, อย่างเช่นถ้าเราต้องการมองสีเขียวในในขณะที่เราหลับตามจะเห็นเป็นสีเขียวทีนี้ ยอมยมเข้าใจว่าเวลาหลับตาพุกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องขอ ง, งกายภาพค่ะอย่างเช่นเรามองเห็นทีวีแล้วมันเป็นแสงสีแดงมันก็ขึ้นเป็นแสงสีแดงซึ่งกําหนดเป็นสีเขียวไม่ได้เีอ้อันนี้มันไม่ได้เป็นกนะริสีน้ำการปฏิบัติกระสีนี่เราต้องเป็นผู้กําหนดสีขึ้นมาเองใน ใ, นใจนะเบื้องต้นด้วยการเปิดตาเราดูสีข้างนอกอนอกอ่อนเช่นสีแดง แล้วเราพยายามนึกภาพสีแดงเวลาหลับตาให้มันโผล่ขึ้นมาในใจเขาเรียกว่าการปฏิบัติเกษีอย่างที่หนูพูดนี่มันหมายถึงเรื่องอารมณ์เรื่องเรื่องของ อ, อาการของจิตที่มันผลิตอะไรต่างๆขึ้นมามนก็คือไม่ใช่เกษีนะไม่ใช่เรียกว่าเกษี mm hmm. อย่างนั้นเาเรียกว่านิมิตนิมมีนิมิตมีภาพมีแสงมีสีอะไรเงีย้ยเรียกเป็นนิมิตอะไรกั อชเวานานเท่าเท่าเท่าไหร่อะคะที่เราจะสามารถที่จะกำหนดสีจากกระสีขึ้นมาได้อะคะอะม๋มัน ม, มันนี่มันเป็นวิธีหนึ่งแทนที่จะใช้ลมไม่ใช้ใช้สีและแต่เขาไม่มีใครนิยมทำในประเทศไทยกัน่ใหญ่้ก็ใช้พุบโธแล้วใช้มัมมันง่ายกว่าลมมันก็ไม่ต้องไปกำหนดไปเน้นมันมีให้เราเห็นตลอดเลลวลา เขาบอว่าตอนนี้คนหนักไม่ต้องไปสนใจใเรื่องกง๊าซีนเราจะใช้กสาซนเนี่ยมันต้องเป็นอาจจะเป็นจริดของเราชาติจนก่อนเราเคยใช้มาก่อนแล้วมันมันใช้เป็นใช้ง่ายเราก็ใช้มันไปแต่ถ้าเร า, เราไม่เคยใช้มันไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะค่ะเจค่ะใช้พุทโธใช้ลงหายใจดีกว่าขอบพระคุณครัโอเคคุณร่วมพรเชิญคุณร่วมพรหาหน้าไปหลายอาทิตย์นะ สบายดีเหรอสบายนะคราวนี้มีปัญหาก็เลยมาถามนะคะท่านนะอย่างทุกเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอนะ่ะเช่นลูกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีการบังเอิญใช่ไหมฮะเรื่องมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยทาให้มันเกิดขึ้นมา เช่นฝนตกก็เพราะว่ามันมีความร้อนทำให้น้ำเลเหยขึ้นไปเป็นเมฆมมีเมฆมากๆมันก็ตกลงมาเป็นฝนเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยยังเรื่องอะไรกับใครมันก็ต้องมีมีเหตุมีปัจจัยทำให้มันเกิดเรื่องขึ้นมาคือคือจะพยายามสรุปอาว่าในโลกนี้เรื่องทุกเรื่องเกิดไม่มีการบังเอิญีไม่ต้องไปสรุปแม่มันเสียเวลา เร่องทุกเรื่องมันเกิดเพราะมันเป็นอย่างนั้นดีกว่ามันฝ น, นต่อพรามันคล้ายรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็พอไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นเหตุมาจากอะไรให้เสียเวลาอกค่ะให้เรารู้ว่าวิธีปฏิบัติมันจะปฏิบัติอย่างไรดีกว่าเรื่องทุกเรื่องเราจะปฏิบัติกับมันอย่างไรจะทุกกับมันหรือจะไม่ทุกกับมันเท่านี้สําคัญตรง น, นี้คือคือคือนี่ก็พยายามจะโยงไปะว่าถ้าสมมุติว่ามัน ไม่มีการบังเอิญมันเกิดอย่างแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็จะได้ไม่ต้องไปคิดเหตุคิดผลเรื่องมันก็ยอมรับอ่ะเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละวิธีแล้วที่สำคัญก็คือวิเราจะทำใจไงกับมันเท่านั้นจะทำใจให้ทุกข์กับมันหรือไม่ทุกข์กับมันก็ใช่ใช่คือพยายามจะย้อนให้มันสรุปไม่ได้อย่างนี้อ่ ะ, อะไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจว่า ม, มายัาง ไ, ไงไปยังไง สนใจว่าเราจะปฏิบัติกับมันอย่างไรจะทุกข์กับมันหรือจะไม่ทุกข์กับมันทุกข์ก็โง่ถ้าไม่ทุกข์ก็ฉลาดคือคือตอนแรกสรุปให้ว่าเออถ้ามันไม่มีเรื่องบังเอิญนะมันก็ต้องไม่ไม่ต้องไปทุกข์กับมันละเพราะยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดแก้ไขยอมมันนั่นแหละก็ให้ดูที่ วิธีใจเราปฏิบัติกับมันว้าเราจะปฏิบัติกับมันยังไงทําให้ใจเราไม่ทุกข์ทั้งนี้ก็ให้รู้เฉยๆวิธีที่ดีสุดใกล้รู้เฉยๆรู้ด้วยมือเดียขาไม่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงรู้ว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันมาจะสั่งให้มันไปมันก็ไม่ไม่ได้มันไปจะให้เรียบมันกลับมาก็ไม่ได้ ฉันเองให้รู้เฉยๆหรือว่ามันเราดูลมเนี่ยลมเข้าก็เข้าลมออกก็ออกให้รู้เฉยๆแบบนั้นค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะกราบขอบผู้คุณนะเข้าใจไหมเขาด่าเราก็ให้รู้เฉยๆแล้วก็ด่าเราเขาชมเราให้รู้เฉยๆแล้วก็ชมเราก็อ่านไปมันก็จบไป เจะเอามาสาวความยาวตอบตอบความยืนอะไรต่อความยืนยจะคิดแก้ไขเพื่อให้เกิดผลดีกับลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าแกได้ก็ทํใถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปทำนั่นใช้ปัญญาที่เค้าเอาอถ้าพูดแลเขาเป็นเหมือนจ่าด้ําใส่น้ําหมาก็อย่าไปเทน้ําใส่น้ําหมาหเสียเวลาเข้าใจไหมอ่ ะ, อะคือคือแต<ร> <จะ S 2> ่ก็เป็นแม่แล้วก็วยิ่งเดือดร้อนมากพวเกเขา เราพูดแล้วสอนแล้วเราทำหน้าที่ของเราแล้วถ้าเขาไม่เชื่อเขาเฉียงเราก็จบพูดไปก็ไม่เกิดไปเลยทาไปก็ไม่เกิดไปเลยน์เลยเข้าใจไหมเข้าใจขอคิด่านต่อไปนะคุณอาทิตย์เจิอาทิตย์รุ่งเจรานะ กลับมาิสการครัอาจารย์อยู่ที่ไหน อ, อ, อยู่สิงคโปร์ครับพระอาจารย์ครับพอาจารย์วันนี่มีมีคําถามรบควรถามอาจ า, า, ารย์อาจารย์ทักงสองถามนะครับคำถามแรกจดจดเอไว้ว่าเออคือมีปัญหาในการปฏิบัติออพรหมวิหารนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบางบางครั้งนี่ยรู้สึกเมตตากรุณาจนมันกลายเป็นสมุทัยอะครับคืออยากให้สัตว์ที่เราช่วยเนี่ยหายทุกจ น, นกลายเป็นภาวะตันหาบางวิภวะตันหาบาง ทีนี้พอล ง, ลงมือช่วยเต็มที่แล้วเนี่ยผลมันไม่ได้อย่างที่คาดเลยช่วยไม่ได้สุดทางมันก็จะอาจะรู้สึกรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เไม่สามารถบางอุเบกขาได้ครับทีนี้เคยพิจารณาข้อถามว่าถ้าจะกําจัดสมูทายเนี่ยมันก็ต้องไม่อยากถ้าจะไม่อยากมันก็ต้องไม่ไม่เมตตาตั้งแต่แรกหรือเล่าหรือว่าเมตตาขอไปทีแล้วก็อ้างอุเบกขาแล้วก็เดินจากมา รู้สึกว่าข้อธรรมันย้อนแย้งนะครับแล้วก็ปฏิบัติได้ยากก็ยอยากจะขอเทคนิคคําแนะนํนาจากพระอาจารย์ในการปฏิบัติแล้วก็วางใจในกรณีเนี้ครับก็ทําด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยถ้าทําได้ก็ทําไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปทุกใจเพราะเราทําเต็มกํำลังของเราแล้ ว, ลวน้าก็ได้เท่านั้นมันลดของคุณกลับเนี่ยคุณเหยียกเข้าไปสุดสุดเท้าแล้วมันก็วิ่งได้เท่านี้ยคุณอยากให้มันวิ่งเร็วกว่า น, นี้มันก็ไม่เร็วกว่า น, นี้ คจะทำยังไงคุณต้องยอรับสภาพความความความเป็นไปได้มันมันได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นอืมเดี๋ยครับอีกคำถามนึงครับอาจารยอาจารย์อรยเออทีนี้เนืเอ่องเออเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับทีนี้เนื่องจากสมถานนี้เข้าใจว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการทําวิปัสสนาฮะทีนี้อยากอยากจะถามอาจารย์ว่าเราสามารถจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าของของสมถานได้บ้างครับเพราะว่าสมมุติว่าชาตินี้เราเราทำใ น, นชาติเราจะไม่ได้ อภิญญาเลยก็ได้ทีนี้มันมีอะไร อ, อื่นมามาใช้วัดได้ไหมครับว่ากิเลสที่เบาบางมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นเครื่องวัดกําลังความก้าวหน้าของสมถะหรือเปล่าเพราะว่าอย่างกรณีพระเทวทัพท่านก็มีอภิญญาใช่ไหมครัทีนี้เราถ้าสมถะไม่ได้ถึงขั้นอัปปนาเนี่ยมึงเราเราจะเข้าทําวิปัสนาได้ไหมครับได้แต่มันไม่ได้ผลเหมือนคนไม่มีแรงไปต่อสู้กับกิเลสกาลังไม่พอสู้กิเลสไม่ได้เป้าหมายของการวิปัสนาก็เพื่อดับความโลภโกรนหลง ให้มันหมดไปจากใจของเราแต่ถ้าปสัส จ, จากอัปปนาสมาธิมันไม่มีกำลังอย่างตอนนี้พวกเราไม่มีอัปปนาสมาธิรู้ว่ากิเลสตัณหาเป็นตัวสร้างความทุกข์แต่เราก็หยุดมันไม่ได้กำลังเราสู้มันไม่ไหวรม่ว่ามันเป็นตายรักก็ยังก็ยังอยากจะไปยุ่งกับมันอยู่รม่ว่ามันเป็นทุกข์ก็ยังตัดไม่ได้เห็นไหมเพราะว่าเราไม่มีอัปปนาสมาธิไม่มีอุเบกขา พอเวลาเรามีอยูอปนาสมาธิอุเบคานี่เราหยุดจิตได้หยุดกิเลสได้ดังนั้นต้องพยายามฝึกสติให้มากไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องทางปัญญามากเกินไปตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้ฝึกสติหยุดคิดดีกว่าอย่ามาคิดทางปัญญาเพราะมันจะทําให้เข้าสมาธิได้ยากใช้สติพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวคอยจดจอ่อดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราทุกเวลานาที่ ให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับร่างกายไปอยู่กับพุโทโธไปอยากปล่อให้มันไปคิดถึงอดีตที่ถึงอนาคตคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อนี้พรามันจะทําให้เวลานั่งสมาธิจิตมันจะไม่สงบมันจะไม่เข้ามันจะเข้าสมาธิไม่ได้แครับถามถามเป็นความรู้นะครับอย่างพระเทวทัพนี้ท่านก็ปฏิบัติจนได้อั ป, ปนาหรือเปล่าครับท่านถึงมีลิ์มีปัญญาไดไ้ไม่ได้อุปจาระท่านไม่ได้อัปปนาอ๋อนะครับ อุปจาระนี่ไม่มีอุเบกขาหยุดกิเลสไม่ได้เพราะอุปจาระนี้มันจะทําให้จิตไปทํางานไปไปไปทํางานทางด้านอริญญาไปพบปะกับเทวดามีตาที่ภูที่ประหลาดทนองนีม้มันก็เลยทําให้จิตไม่นิ่งไม่สงบไม่มีอภปนาไม่มีอุเบกขาพอเกิดความโลภ ก, ก็ตัดไม่ได้หยุดไม่ได้ความโลภอยากจะเป็นใหญ พอพระพุทธเจ้าปรินิิเสธรก็โกรธก็หยุดความโกรธไม่ได้อืก็เลยต้องไปทําบาปเพราะไม่มีอัปปนาสมาธิถ้ามีอัปปนาสมาธิพอโลกปก็หยุดได้ลนะโลกไปทาไมเห็นตายรักสิ่งที่โลกมันก็เป็นทองไม่เทีย่ยมตําหน่งตําแหน่งได้มาเดี๋ยวมันก็หมดไปใช่ไหอไม่มีไม่มีอัปปนาสมาธิหยุดความโลกไม่ได้ พ อ, อโรคแร้ไม่ได้ก็โกรก็หยู่ความโกรธไม่ได้หยุดความมาฆาาพยาบาปไม่ได้หยุดการไปทําบาปไม่ได้ยังอย่าไปทางนี้อย่าไปทําอุปจาระสมาธิอืแม้ว่ามันจะเป็นเป็นของของของของแปลกของมาสะจันใจแต่มันก็เป็นมันไม่ได้เป็นไปเพื่อการดับทุกข์หยุดกิเลสยังอย่าไปทางนั้นให้ให้อยู่ในอัปปนาสมาธิ คือคนจะไปประจาร้านี้มันต้องผ่านอภิญญาเศ้าสงบก่อนสงบแล้วถองออกไปรับรู้แต่แล้วถ้ามันจะออกไปรับรู้เรื่องต่างๆดึงมันกลับมาให้อยู่ในที่พักสงบแทนใจสติดึงมันกลับมาครับครับกับคุณอาจารย์ครับีเท่านี้แล้วครับครับขับคุณครับครนนี้ก็มาครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยเออครั้งที่สองครับแต่ว่าครั้งแรกไม่ได้ถามนกครับอาจารย์ ครับครับตอนนี้ที่สิงคโปร์ก็ปลอดภัยจากโควิดไม่มีใครติดใช่ไหมเออเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีอ port ตเคสทุกวันนะครับอ๋อโอเคครับงั้นไปที่ท่านต่อไปคุณทนายพครับคุณทนายพลจากกรุงเทพใช่ไหมครับนวัสการ์ครับจากกรุงเทพครับจะถามว่ามามีอะไรไหมวันนี้ วันนี้ก็ยังไม่มีครับก็คือก็มาฟังฟังเอสภาวะของของท่านอื่นๆนะครับเพื่อจะปรับใช้กับตัวเองได้ครับอ่าดีเพราะว่าบางทียังไม่ถึงเวลาเราถ้าเราไว้น่วงหน้าก่อนก็ดีเพรถึงเวลาเราก็จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องครับแต่ปัจจุบันก็คือก็ก็ก็ปฏิบัติอยู่ช่วงเช้าครับก็ก็เข้าสงบดีครับก็ ได้สมาธิเดียครับปัจจุบันก็ครับมีสัปดาห์ที่แล้วก็ว่าจะไปกราบอาจารย์ที่ที่วัดนะครับเนื่องจากว่าไปสัตหีบแต่ว่าอดีว่าวันกลับฝนตกหนักก็เลยไม่ได้มีโอกาสก็ไปกราบนะครับไว้จะหาจังหวัดเข้าไปกราบไปครับอาจานี้ช่วงนี้ก็ก็ก็กปดิดไม่ได้เปิดการแสดงธรรมชั่อข่าวยุบการแสดงเชื่อครับช่วงใบ อาจารย์ใจมาหาก็ต้อช่วงเช้าที่ศาลาในวันธรรมดาครับ อ, อ๋อเฉพาะช่วงเช้าเหรอครับพอดีมีเ อ, อลูกของเพื่อนนะคะมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ก่อนกลับเขาอยากจะให้พาไปกราบพระาจานะคะยองนี้ถ้าจะมากาศว่าต้องมาช่วงเช้าหลังจากกลับจากบินตบาตดแต่ต้องเป็นวันธรรมดาไม่ใช่เสาร์อาทิตย์หรือวันพระเพราะเสาร์ที่ยวันพระจะไม่ได้ไม่ได้ลงศาลาก็หลังจาก เั้นเช้าใช่ไหมครับที่ศาลาเช้าน้ำก็ ม, มาจากวินทรบาลก็ประมาณเจ็ดมงครึ่งก็อยู่ถึงประมาณ9ก้ามงครึ่นโมงครึ่งถึงเก้าโมงคึ่งที่ศาลาวันธรรมดานะไม่ใช่วันอยุดราชการไม่วันเสาร์ที่ไม่วันพระแล้วช่วงบ่ายจะกลับมาหนีทีเมื่อไหร่เจ้าคะหรือว่ารอทางามันรอให้มันการการระบาดมันสักตัว่าั ซึ่งเพิ่งเมื่อกี้นี่มีสตาร์ ย, ย่าอยู่คนหนึ่งบอกว่าพวิวันสวันนี้ก็อาจจะรับดาวอะไรเงี้ยมาดูใช่ไหมบอกวอาตั้งจชลบรีแล้วครับอ่าจุลบรีครัอาจารย์ จ, จะขออนุญาตเอาคลิปของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะที่เป็นภาษาอังกฤษอะค่ะให้ลูกมาแกะอะค่ะแล้วก็ค่ะค่ะแล้วก็วกได้คะ่อะอาจารย์แกะทาอะไรแกะมา้วทำทาคลิป้น จะหลอกเขามาฟังทำอะค่ะให้เรามงานบุญไปครับหลอกหลช่วยช่วยทำที่ให้แม่อย่นะใจ่ะหลอกประจานหลอบใช่แต่พูดตรงๆจริงเขาไม่อยากจะทำให้เราแต่ถ้าทำพวกเราเนี้ยก็ยินดีนีฉลาดแม่ต้องฉลาดกว่าลูกนะเพราะแม่ฉลาดกว่าลูก จะสอนลูกได้ก็ไม่มีไม่มีอะไรจ้าค่ะอย่างงี้ขอไปที่ท่านต่อไปนะคุณเฟิร์สเชิญคุณเฟรสอยู่ที่ไหนถามนรมัสการพระอาจารย์ครับอยู่กรุงเทพครับผมมีอะไรไหมวันนี้จะมาถามธรรมะพระอาจารย์ครับ อ่ารู้พึกว่าตอนนี้ก็ปฏิบัติมานานแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกตัวเองมันไม่มีเป้าหมายครับก็เลยลองตั้งเป้าหมายว่าจะเอาพระโสดาให้ไดอย่างนี้ครับอาจารย์อแล้วอย่างนี้เราจะต้องเดินทางยังไงครับพระอาจารย์ก็ต้องต้องฝึกสมาธิก่อนอถึงจะไปทางปัญญาเพื่อให้ได้เป็นโสดาได้ครับผมถ้าอยากจะ ปฏิบัติสมาธิได้มันก็ต้องมีเวลาถ้าออกจากงานได้ก็ดีเพราะจะทํางานไปด้วยแล้วปฏิบัติทำควบคู่ไปไปมันไม่พอเพียงเวลามไม่พอเพียงต้องต้องเป็นมือเป็นต้องเป็นมืออาชีพอย่าเป็นมือสมัครเล่นนะครับตอนเริ่มต้นนี้เป็นมือสมัครเล่นก่อนก็ได้คือหัดปฏิบัติในช่วงวันวันที่เราไม่ต้องไปทํางานก็ไปอยู่วัดช่วข่าวไปไปฝึกสติไปฝึกสมาธิก่อน แล้วพอเราคีว่าเราสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ลาออกจากงานแล้วก็ไปบวชครับถ้าอยู่บะถ้าอยู่บ้านอย่างนี้โอกาสที่จะได้ก็มันจะไม่ได้ไไดใช่ไหมครับยากมากยากใช่ไหมครับครับเพราะสภาพในบ้านมันวุ่นวายครับทำจิตให้สงบให้เป็นอั ป, ปนาสมาธิได้ยากมาก ต้องไปปิีกวิเวกไปที่สง บ, บไปอยู่คนเดียวือในวัดเนี่ยก็จะให้เราอยู่คนเดียวได้นอกจากเวลาที่เราต้องมาทํากิจวัตรร่วมกันนั้นนอกนั้นก็จะให้อยู่คนเดียวฝึกสตินั่งสมาธิไปครับนี่คือคแผนที่แผนที่ทีจะทาไปสู่สวดามันครับแล้วแล้วแล้วมันยากมากเลยหรือเปล่าครับอาจารย์ ยากง่ายมัอยู่แต่ละคนไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ความสามารถคนแต่ละคนบางคนก็ง่ายบางคนก็มาดูได้เจ็ดวันก็มาดูได้บางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีบางคนก็เจ็ดชางคิาง ค, าครับผมอยู่ที่ความอยู่ที่ความฉลาดอยู่ที่ความขยันถ้าขยันมากฉลาดมากก็เร็วขยันน้อยฉลาดน้อยก็ชา้าครับ อยู่ที่ไหนน่ะอยู่กรุงเทพเหรอกรุงเทพครับผมอมีอะไรอีกไหมครตอนนี้ถ้าไปอยู่ตามวัดเนี่ยก็อยู่ลำบากอยครับอาจารย์เพราะมีโควิดอ่ช่วงนี้ก็เอาวัดเอามาเป็นวัดไปก่อนด้วยนะครับไปก่อนจะมีไฟเขียวสอลดหน้าผ่าไปแล้วมีติดไฟแดงก็อยู่ตรงที่เราอยู่ไปก่อนครับผมได้ครับก็มีมีแค่นี้ครับอาจารย์ ยังไไปที่ท่านต่อไปนะคุณสุภัสการจาก d a l l a ส t ท x a s ยังไงสมมิที่เลอกกินโด้วยกัะกับนำมัสกาและก็กับสวัสดีปีใหม่เจ้าค่ะก็ถึงเดือนมิถุนาเจ้าค่ะถึงจะได้ได้ได้ดื่มไม่อยากกินอยู่ับปัจจุบันมาถึงขั้นนี้นล้ก็ไม่อยากหรอกเจ้าค่ะแต่ว่าแต่ว่าเป็นเป้าเฉยๆว่าว่าถ้าเราอยู่ถ้าเราสามารถลดโทรสารได้จนถึง ถึงตามกำหนดก็ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเจ้าค่ะเ <c oughs> มือ่อเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ก็รู้แล้วโอ้เดี๋ยวมาแน่เลยอารมณ์ต้องมาแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอดีก็พอเริ่มจะมีขึ้นก็โอ้ยเดือนมิถุนาแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ ว, าลวยายอยา่อยามีอารมณ์อย่ามีอารมณ์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะครึ่งปีแล้วเป็นเป็นเตือ น, นสติเจ้าค่ะ <c oughs> เจ้าค่ะวันนี้ลูกก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะก็มารับฟังแล้วก็สวัสดีปีใหม่ญาติธรรมทุกท่านด้วยเจ้าค่ะแล้าไั่มีก็ก็ไปที่ท่านต่อไปเลยนะแล้วค่ะจะถามแล้วก็อ่านที่หลังมาได้แต่ค่ะแต่ค่ะคุณลุงที่ว่าคุณลุงที่ว่าคุณลุง ท, วทีว่าก็ไม่มีคําถามเลยนะไม่มีคำถามค่ะที่คุณประทิมต่อ ไอแผดของคุณประฐินเชิญคุณประฐินได้ยินไหมอ่านมิวไมโครโฟนแล้วก็พูดได้เลยต้องเอ่านมิวก่อด้ยินดีสวัสดีค่ะอยู่กรุงเทพที่ว่าจะจะเล่าเรื่องประสบการณ์นะคะคือเปลี่ยนเอาโทรศัพท์น้องเล่นค่ะค่ะค่ะค่ะ คือจะเล่าสั้น ๆ, ๆค่ะคือปีพศห้าสี่ค่ะแล้วก็โยมทำงานอยู่โรงพยาบาล พ, พระมงคลเก้าแล้วตอนนี้มีคนมาดูหมอดูดวงตอนกลางวันแล้วตอนกลางคืนเขาตอนกลางคืนเขาไปนอนกลางคืนแล้วพอพอไปนอนแล้วมีมีคนไปเข้าฟันเขาบอกว่าให้มาตามโยมให้มาตามโยมหน่อยตามโยมเนี่ย ว่าเขารอนานแล้วอยู่วัดมาวัดมห า, าธาตุนอนนานแล้วไม่เห็นไปสักทีตอนนี้พอไปเข้าฟันเสร็จเขาก็มาตามโยมไปเพราะว่ามันเป็นวันวิสาขาบูชาหรือวันมาคาอะไรไม่รู้คะ่ะโยมก็ไปวัดมวัดมห า, าธาตุไปมันเป็นวันศุกร์โยมก็ไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยรู้ว่ามีนั่งสมาธิไม่เคยรู้อะไรเลยพอโยมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จใ ส, ส่ชุดขาวแล้วก็ พอไปรับสินโยมก็รับไม่เป็นเพราะว่าโยมโยมไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะไม่รู้เรื่องรับสินอะไรแล้วยมอ่านหนังสือไม่ได้เขียนไม่ออกด้วยพอไปรับสินเสร็จพอเดินออกจากห้องรับสินมาก็เหมือนมีมีคนมาดึงเอ้าวมามาแล้เวเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงพาโยมเดินไปตรงที่ไปไปนั่งสมาธิคนนั่งสมาธิมันเป็นวันสำคัญมาประมาณร้อยหรือสองร้อยคนโยมก็ไม่เคยนั่งสมาธิเขาก็จับโยมโยมนั่ง จับโยมนั่งแล้วก็มือวางให้ปิดตาให้แล้วก็เหมือนโยมขึ้นไปไหนก็ไม่รู้ตัวเบาไม่มีตัวไม่ ต, มตนเลยนั่งแบบไม่รู้ขึ้นไปอยู่ไหนพอหมดเวลาปุ๊บพอลงมาโยมก็เป็นคนตัวเบาเลยอะไรเงี้ยพอหมดเวลาตอนกลางคืนพอตื่นเินเช้าปุ๊บพอไปนั่งอีกตอนเช้าก็เป็นเป็นสปอตไลท์ใหญ่มากเลยมาจอดตรงหน้าผาใหญ่มากมาจอ โยมก็นั่งแบบมันเข้าเองเลยโยมไม่ได้อะไรเลยมันเข้าเองแล้วก็มาจอใหญ่ๆพอหมดเวลาหมดเวลาปุ๊บ ก, ก็ตอนสวดมนต์สวดมนต์นี่ห้องสวดมนต์นี่เป็นเป็นทองเหลืองเป็นเหมือนสวรรค์เป็นอะไรเป็นทองสีแล้วก็แล้วก็คําสวดมนต์น่ะโยมสวดไม่ได้สักอันเลยแต่ว่าเสียงสวดมนต์นี่มันก้องกลางวานอยู่ข้างบนนี่ก้องแบบเสียงหูยก้องกลางวานแล้วห้องก็เป็นสีทองหมดเลยแล้วพอออกมาเสร็จ พอออกมาแต่ตอนเนี้ยอยากจะถามอะไรหรือเปล่าไม่ไม่คือพอพอยมกลับบ้านมาแล้วว่ายมไม่ต้องเล่าแล้พอแล้วพอแล้วไม่ไม่ที่ไม่ได้ไม่ได้มาให้เล่าที่นี้ให้มาถามโอ้ใค่ะไม่มีคําถามใช่ไหมไม่ไม่คําถามค่ะเพราะว่ามันจบแล้วไม่มีอะไรเลยคือไม่มีแล้วถามคุณน่าค่ะผมไปด้วยนะเพราะคนอื่นยังรออยู่เยอะค่ะค่ะบีศูนย์หนึ่งห้าเชิญ นาซอทอนาซาอยู่ที่ไหนน้าพูดได้เลยขับรถมาสการค่ะอ่าอยู่ที่ไหนจ้าอยู่บางแสนค่ะอะ่มีอะไรไห<อ>มูเคยเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วค่ะตอนนั้นเข้ามาถามเรื่องเอ่อที่ว่าพอมันมีลมมีพัดสะเข้ามาแล้วมันก็เหมือนกับไปถูกรู้หรืออะไรเงี้ยค่ะ แล้วตอนนั้นผาอาจารย์ก็แนะนำว่าให้พิจารณาไตรักษ์ค่ะก็หลังจากนั้นก็ผ่านมาหนึ่งเดือนเนะะี่ยค่ะก็มันก็จะเริ่มเกิดการพิจารณาเองอัตโนมัติค่ะแล้วมันก็จะอยู่กับความอุบຈขามากขึ้นค่ะแล้วตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่ามันเบื่อหน่ายอะไรที่มันเป็นความสุขทางโลกมาก่อนนะคะ ถูกต้องนิพิดามันเบื่อไหนไปหมดแบบว่าอาหารก็อาหารที่เราทานเงนี้ยค่ะปกติชอบทานนู่นทานนี่มันก็จะเหมือนกับเราสัมผัสรสชาติอะไรได้ดีขึ้นแต่กับแบบไม่ไม่ได้แบบถึงความอร่อยอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องใช้ชีวิตประจำวันอะไรยเงนี้ยค่ะมัน อะไรที่เป็น e เ t e r t a i n อะไรเงี้ยเราก็เบื่อหน่ายไปหมดเลยค่ะมันอยาก ก, อ, กอยากจะฝึกอย่างเดียวอะค่ะนะความสงบเนี้ยดีที่สุดลถแห่งธรรมชนะลดทางปวงใช่ค่ะมันมันสุขอยู่ข้างในจนแบบไม่อยากพูดไม่อยากอะไรอยากเก็บตัวอยู่แบบปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะนะคนเดียวเบรกขแต่ถ้า อ, อยู่คนหนึ่งก็ต้องทักทายากันบ้างแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ดีไม่ต้องไปยุ่งกับใคร มันเหมือนแบบว่าพอเราปฏิบัติตรงนี้ที่บ้านเขารู้ว่าเราปฏิบัติเขาก็ไม่ค่อยอยากยุ่งอะไรอย่างเงี <g ül> ้ยค่ะก็ปล่อยให้ปฏิบัติไปอะไรอ่ะแต่รู้สึกได้แบบว่าโหอะไรที่เป็นความสุขทุกอย่างในโลกที่เราเคยผ่านมาสี่สิบปีที่เราว่าเป็นความสุขมันเบื่อหน่ายไปหมดเลยอะคะ่ะ <m> <g ül> มันทุบทาั้งนั้นอะมันทุบช้าทุบเร็วนะมันเลยแบบโอ้โหตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็ยังรู้สึกแบบเบื่อหน่ายอยู่มีมีอย่างเดียวที่รู้สึกว่ายังออกไปได้ก็คื อ, อ, อไปสัมผัสธรรมชาติที่หน้าหาดบางแสนที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมมันอยากจะไปบวชแล้วมนะั้งเนี่ยจิตมันอยากจะไปนะหาที่สงบอยู่คนเดียวอยู่กับธรรมชาติ ตามป่าตามเขาคือพอไปตรงนั้นปุ๊บเหมือนเราไปอยู่หาดเนี่ยเหมือนความวุ่นวายอะไรที่มันเสียงดังใช่ไหมคะ<น>มันก็ถูกแยกออกไปอะไรเงี้ยค<น>่ะแล้วตัวธรรมชาติหลจากของปรแต่งทั้งหลายหลีกจากของประดับทั้งหลาค่ ะ, คะแล้วมันก็สงบนิ่งเออเขาเรียกอะไรอ่ะคือมันนิ่งรู้ว่าอยู่ข้างใ น, นะะอะ ค, ค, ค่ะอเวคาอเวคาค่ะเพราะช่วงก็ อุเบกขามามก็<ม>าประมาณสามเดือนละค่ะอืมก็ดีมีความสุขก็กใช้ได้แต่อย่าไปทุกข์กับอะไรอย่าไปทุกข์กับอยากความอยากก็แล้วกันอ๋นอก็มันไม่มีความอยากอะไรแล้วอะค่ะอืมอ ย, อยากไปอยอยากไปอยู่คนเดียวมันก็เป็นกิเลสได้ถ้ายังไปไม่ได้อ๋อไม่ไม่ไม่ได้อยากไปอยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นค่ะเพียงแต่ว่าเออ ขอพื้นที่เงียบๆในเวลาที่เราต้องการปฏิบัติแค่นี้เองค่ะเพราะว่าในจังหวะที่หนูก็มีครอบครัวหนูก็จะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็อย่าไปทุบกับมันก็นแล้วหนูก็จะเวลาที่มันเวลาอยู่นิ่งๆแล้วมันแบบมันจะเข้าไปนิ่งสงบไปอุเบกขาอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะถอยกับคือถ้าอยู่กับครอบครัวกับคนในบ้านใช่ไหมคะหนูก็จะถอยแบบสมาธิหรือถอยกําลังให้มันลงมาแบบ ป่องโล่งเบาสบายหรือแบบว่ากับความรู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าไม่มีใครอยู่ด้วยก็อยู่ตามลําพังก็ถ้าเกิดนิ่ง ส, สงบก็ต่อสมาธิเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ดี <laughs> ก็ประมาณนี้ทำอยนี้ไปเรื่อยๆก่อนจกอนกว่าจะอะ่ไม่มีภาระไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครก็ไปอยู่คนเดียวได้ อ๋อค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะตอนนี้ก็อยู่ถึงแค่ประมาณนี้อยู่ค่ะคําถามอะไรไหมไม่มีนะตอนนี้ยังไม่เจออะไรที่เป็นปัญหาค่ะก็สบายอยู่ประมาณนี้อยู่ค่ะรักศึกษาจิตให้สงบไปเรื่อยๆนะค่ะขอบพระพคุณค่ ะ, ะคุณโคกคโชิญะคุณโกคณะอยู่ที่ไหน กลั บ, บนมสัสการค่ะพระอาจารย์มันเสียงดังหน่อยได้ไหมเพราะมันค่อยไปหน่อยค่ะค่ ะ, คะเดี๋ยวเพิ่มเสียงค่ะคืออยากจะกลับเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าออตอนเนี้ยมาอยู่ที่ภูเก็ตอยู่่ะคะเพราะว่าช่วงโควิดมาจากกรุงเทพฮะก็มาอยู่ได้เกือบปีแล้วฮะแต่ก็แบบกลับไปกรุงเทพบ้างอะไรเงี้ยทีนี้ก็เพื่อนเนี่ยคอยตามตลอดเพราะพวกเราเป็นพว ก, กเกษียณแล้วสว น, นะคะ เขาก็จะเที่ยวเที่ยวเที่ยวกันทีนี้วันหนึ่งเขาก็บอกเขาจะอยากจะมาภูเก็ตเออเราก็เลยชวนเข้ามาทีนี้มันก็เลยมีการที่ว่าอยากถามพระอาจารย์ว่าคุยกันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าเพื่อนคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้คือคุยคุ ย, ค, ยคุยกันคุยเสร็จแล้วตัวของโยมเองมีความรู้สึกผิดว่าเหมือนกับเราเป็นมินทาเขาเราไปว่าเขาอันอย่างนี้ค่ะแบบบาปไหมคะไม่บาปหรอกถ้ามันเป็นความจริงอะ เป็นความจริงค่ะแล้วก็มีแบบค่ะคือเล่าให้เขาฟังอ่ะค่ะว่าเออเขาเคยมาแล้วแล้วเขาไม่อยากจะออกจากบ้านเราอยากจะมาอีกแล้วขอมาอีก<ม>แล้วเราก็ไม่อยากให้เขามาเพราะเราไม่ได้สนิทกับเขาแล้วเราก็แบบอุตส่าห์นี้มาอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะอยู่สงบสงบอะไรเงี้ยค่ะคือจะมีแบบคนที่อยากจะคอยมาตามมาอะไรอย่เงี้ยตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะเสไปสิก็ทิเสีไปตอนนี้อยากจะอยู่คนเดียว ปฏิเสธไปสามคนแล้วค่ะทีนี้ก็พอตอนหลังนี่เพื่อนมากันอีกทั้งหมดสิบสามคนแล้วก็ตอนหลังก็เหลืออยู่ประมาณสักสองสคนที่เขาบอกเขาอยากจะมาอีกก็บอกว่าคือก็ไม่อยากจะพูดโกหกให้เขาอะนะคะแต่ก็ไม่ทราบจะพูดยังไงให้เป็นภาษาดอกไม้แล้วก็ให้เขาเข้าใจอะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบเราไม่ได้เหงาเราชอบ คนเดียวเขาก็ไม่เข้าใจ่คะเพราะว่าบางทีเข้ามากันเนี่ยเราก็ขอปลีกตัวไปนั่งสมาธิบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะค่ะเขาจะเล่นไพ่กันเขาคือคือเรากันไปกันทางคนละทางกันแล้วแล้วก็ไม่ยามเข้าใจก็ไม่ได้ไปเก่งใจก็พูดไปว่าย้ำเธออย่ามาดีกป่าพูดตรงๆไปเลยดีกว่าจะได้จบงั้นมาเก่งใจกันก็อย่างเงี้ยคาราคาซังกันไปอย่างเงี้ยค่ะ เป็นเพื่อนกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็ <thì S 1> ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้ไปโกรธไปเกลียดก็เป็นแต่ว่ตอนนี้จิตใจมันอยู่ในมีอยู่ในลักษณะแบบที่มันชอบสันโดษชอบอยู่คนเดียวชอบปิดวิเวกก็อบอกเขาไปตามตามความเป็นอยิางเขาชอบเล่นไพ่ก็ไปอยู่กับพวกที่ชอบเล่นไพ่ก็แล้วกันใช่ค่ะทีนี้ขออีกเรื่องหนึ่งอีกคาถามนึ่งค่ะอาจารย์คือว่าอลูกสาวตอนเนี้ยฮะอยู่ อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีลูกสาวมีมีลูกสองคนแล้วเบบี้คนนึงก็อายุสักเจ็ดแปดเดือนแล้วค่ะแล้วก็ลูกสาวก็กําลังลูกสาวเขาก็จะห้าขวบครอบครัวเขา่จะย้ายจากญี่ปุ่นมาอยู่เมืองไทยนี้เราเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะอยู่เงียบๆคิดถึงลูกก็คิดถึงอยากจะอยู่กับหลานอยากจะอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเอออยากจะเจอคุณยาย เบื่อบางทีคุณยาอยากจะช่วยเลี้ยงหลานบ้างหรือว่าอใกล้ชิดกับหลานอะไรเงี้ยฮะก็อยากใกล้ชิดค่ะแต่ใจหนึ่งตอนนี้ใจเราตอนเนี้ยของโยมเนี่ยอยากแต่จะแบบอยู่คนเดียวเงีย้ๆนั่งสมาธิเอหรือทําอะไรซึ่งตัวเองก็ยังไม่พร้อมที่จะแบบนั่งสมาธิร้อยเปอร์เซ็นตมันไมน่มันไม่ได้ค่ะถ้าแบบได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะดีใจแล้วก็ยังทําไม่ได้ค่ะอาจารย์นี่ก็ไม่ทราบว่าจะคือเหมือนกับเราเนี่ยแบบ พรแบบแบบไม่ทราบจะเลือกอยังไงค่ะทราบก็ทั้งทราบนะคะว่าั่งเขานี่ก็แบบก็ <c oughs> เลือกทางทางที่สงบเป็นทางที่ถูกะค่ถ้าไปเลือกทางที่วุ่นวายก็ผิดนะอืมใช่ค่ะ เ, เข้าใจก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะพระอาจารย์ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกก็เราเค บ, บปะ ก, กันขอให้มันมีประมาณพอแม่เสียมารยา มาเยี่ยมกันทักทายกันเล่นกันทักชั่วโมงสองชั่วโมงก็กลับไปได้แล้วมาอะไรกันมากมายก็อตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันมาต้องนานเองมีปัญหาอะไรใช่ไหมามาช่วงนี้ไม่ได้เจอกั น, เ, นเป็นเดือนเป็นเดือนไม่มีปัญหาค่ะพอมาะจะมาอยู่บางทายนีต้องมาเจอกันงานขนาดนั้นเชียวเลยก็มาทักทายกันเจอกันอะไรกินข้าวรวมกันเสร็จก็แยกกันไปก็แล้วกัน ขอคาถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะขอโทษทีค่ะทุกๆคนแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนเวลาเดินจงกรมนะคะอาจารย์ว่าเ อ, อมีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันแกว่งไปซ้ายทีงขวาทีงซ้ายทีงขวาทีงคือมันไม่ได้จิตสงบเลยอะค่ะคือเหมือนกับมันไปเยถึงไปตาซ้ายขวาเพราะเราซ้ายขวาพราเราดูดูเท้าเราใช่ไหมใช่ค่ะ มันไม่สงบเราเวลาเดินโยกมเราเดินเพื่อให้มีมสติไม่ให้ใจลอยทั้งนี้ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าจะให้มันนิ่งต้องนั่งต้องนั่งสมาธิเพื่อจะนิ่งแต่บางทีเรานั่งไม่ได้เราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินก่อนเปลี่ยนอริยาบท น, นั่งนานมันก็เจ็บมันปวดมันเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเดินก็ไม่ให้มันเสียเสียงานก็มีสติไปพุโทโธพุโทโธแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาไป แล้วพอเราเดินจนอยากจะนั่งก็ค่อยกลับมานั่งต่อแล้วก็ที่นี่มันก็จะแน่นได้ค่ะนั่งก็ดีได้ใช่ไหมคะเนี่ย <พอ S 2> เวลาเดินมันไม่นิ่งหรอกเวลาเดินไม่มน<อ>ิ่งจะให้มันนิ่งต้องนั่งแต่ถ้านั่งไม่ไหวก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนยที่าบุตรค่ะแล้ว พ, พอพร้อมที่จะนั่งใหม่ก็ค่อยกลับไปนั่งค่ะขอบคุณมนะค่ะสาธุค่ะอนุชัยขอบคุณค่ะ <มา S 2> คร อ, อบครัวใบหยกภูผพาพร้อมหรือยังน้ำมาสการมาสการค่ะอ่าเป็นยังไงสบายดีเหรอสบายดีค่ะดีค่ะมีคำถามอะไรไหมมีคำถามอะไรไหม ม, มีคาถามไหมเด็กไม่มีคือว่า คือว่าวันนี้สนใจอ่ะฮะจะกะจะไปโเวีได้ไหมคะไม่เอาอจะไปโนวีไปทำไมล่ะคือว่าคุยแม่คุยกับกับกับเพื่อนหรือว่าเออไม่ได้ใจเหมือนกันนะคะแล้วเออเขาส่งรูปมาให้ดูแล้วมันน้าสวยมาก <laughs> เสีสงเหนือยไปจังสัสแต่ไม่ได้ไม่เที่ยวก็อย่าไปเลยเสียเสียเวลาเสียเงนเสียทองดูดูในรูปก็พอดูในยู u b e ก็ได้เหมือนกันเ็แม่บอกแม่อยากไปเป็นคนแรกเลยเอาคำล่วมาเปิดเผยแล้วเนี่ย สงกรานเข้ามากราบสวัสดีปีใหม่อาจารย์แล้วก็ลูกๆ ก, กับโยมครอบครัวรักษาศีลแปดขอขอบุญกุศล น, นี้น้ำถวายน้ำตาให้บุญกุศลเทวดารักษาธาตุขันน้ตาให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ช่วยกันพูดสินะคะล่องโซล่องสายล่อโซล่อสายตวสุดลูกค้าด้วยครัะในเด็กอยากพูดไทพูดถูกพูดอปฏิบัติแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงปฏิบัติคือสินคือสินเจ็ดวันวันนี้วันที่สีแล้วค่ะแ่ ก็รู้สึกว่านั่งสมาธินิ่งขึ้นค่ะวันแรกที่นั่งก็คือรู้สึกแบบอายทำไมมันนานขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอนั่งไปนั่งมาก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็นั่งได้นานขึ้นค่ะแล้วก็เวลาเดินจงกรมอย่างเช่นผ่านร<า>ูปหลวงตารู้สึกเป็นไงคะผ่านรูปหลวงตาเด <c oughs> ินจงกรมในบ้านเดินรอบไปในบ้านนะคะฟังเพลงหลวงตาด้วยฟังเปิดเปิดฟังเทศไปแล้วก็เดินจงกรมไปแล้วก็ผ่านรูปหลวงตาแล้วรู้สึกยังไงคะ ก็รู้สึกแบบว่าไม่ความคิดมันปิดไปหมดเลยอะค่ะพอนกใช่ไหม <laughs> ใช่ห <laughs> รอ <laughs> ว่ตอนรผมนั่งรอบแรกอะครับวันที่หนึ่งอะครับผมนั่งเสร็จุหมดแรงนอนห่อลิ้นเลยครับ <laughs> <laughs> ส่วนวันที่สองก็ดีขึ้นมาหน่อยจากหอลิ้นก็แค่เสียครับใช่เ <laughs> พรอยหิวข้าวใช่ไหม <laughs> ยู่ข้าวหมดเินเน็ดกินทา้อยู่ข้าวครับส่วนวันที่สามอันนี้ยังพอได้อยู่เพราะว่าไม่ต้องถึงไม้เท้าแล้วโอเคแล้ตอนโอเคพยายามปฏิบัติไปให้มันครบนะตั้งใจจะทำอะไรแล้วต้องทําให้สำเร็จนะอย่าเปลี่ยนใจนะสู้ไม่สู้ไม่อยนะค่ะโยมโยมฝากใส่บาตรไปไม่แน่ใจว่าทาง ป้าที่ใส่บาทรคนได้กลับเย็นหรือเปล่าตอนเช้าเบอกแล้วแต่วันที่เราจำไม่ได้เพราะคนเยอะเราไปฝคุยสองสามวันให้คุณไหนทำใช่ไหมคุณไหนหรือเปล่าฝากที่ที่ตรงตลาดบ้าเล็กค่ะตรงตรงปลายปลายถนนเลยค่ะทุกที่ที่โยมยืนอยู่ตรงนั้นนะคะไปไม่ได้ ก็เลยอยากอยากปีใหม่ก็เลยอยากใส่บาทก็เลยโทรไปฝากคุณป้าเขาช่วยนะคะได้วันนีเขาบอกแล้วเราพอรับทราบปั๊บแล้วมันก็ผ่านไปมันก็ลยมไปนะโควิดจะหายเมื่อไหร่คะโยมอยากไปกราบพระอาจารย์ค่ะคุณป้าเด็กอยากไปหาหลวงตาเมื่อวานนี้เห็นเขาบอกมันกําลังระบาดหนักอยู่นะเ้าคงจะต้องปิดเมืองหลวงตาเจ้าค่ะเราทํายังไงถึงจะไปถือศีลที่บนเขาได้คะ อ๋อมอเแ้านี้มันสําหรับคนผู้ใหญ่แล้วอยู่ไปคนเดียวไม่ได้ใไปเป็นกลุ่มเป็นชุดนี้ อ, อดูนี่ต้องไปพักที่ที่ข้างล่างที่วัดแต่ว่าเขาอย่นี้เขาก็ถ้าเป็นเด็กเขาก็ไม่ให้เข้าไปอย่างน้อยจะมายมอยู่ที่้างบนไปน้อถึงจะรอดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปแอบที่กระเป๋าก็ได้ครับไม่แอบที่กระเป๋า กระเป๋ามีที่ไหนล่ะลูกก็มอบ้านแล้วกระเป๋าเห้ลูกสร้โเสร็จแล้วก็เข้าไปเสร็จแล้วล้วก็ไปซุกตัวอยู่ในกระเป๋าไม่ได้ไม่ได้มดเสื้อแม่ค่ะโอเคคสะตอนนี้ก่อนนะขอให้ทุกคนมีความสุขปฏิบัติธรรมให้มีความเจริญก้าวหน้าลูกนะสาธ วันนี้ฟังแค่ก็มีความสุขมากเลยค่ะใช่ค่ะเชิญฟังต่อไปคุณจิ๊บเชิญคุณจิ๊บจากเมืองยกลับมัสการพระอาจาร์และกลับสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์เจ้าค่ะสวัสดีปีใหม่กัลยาณมิตรทุกท่านด้วยนะคะม่าม า, ม, า, ม, ามีอะไรไหม อ้าวไม่มีอะไรก็เมื่อกี้วันนี้ยมหนาวๆยมเพิ่งไปฉีดยาเข็มที่สองมาเมื่อสองวันค่ะรู้สึกแบบเหมือนจะมีคันเนือ้อคันตัวหนาวๆสั่นๆรรแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะยอดเลไฟเซอร์แล้วมเดินหน้ามาเดินหน้าโมดโมเดอร์นาค่ะค่ะ น, นี่ว่าให้หยุดเจเจจางสรรจานสรรก็ไม่ใช่ยมยมรู้สึกแย่มากเลยคือวันก่อนที่เขาจะประกาศให้หยุด เพื่อนโยมที่เคยเข้ามาคุยกับพระอาจารย์นะคะน้องเขเพิ่งไปฉีดมาพอวันลุ่งขึ้นทางอเมริกาบอกว่าขอให้องการเอ่อเพศััตรูบอกว่าให้หยุดฉีดชั่วข่าวน้องก็ตกใจว่าเพิ่งฉีดมาเมื่อวานเองทไมเพิ่งประกาศวันนี้ใช่ฉีดแล้วก็แลไปฉีดแล้วก็แล้วไปอะไจะเกิดก็ แต่ว่ามันหนึ่งในร้านก็เลยคิดว่าน้องคงไม่ไม่เป็นเพราะน้องบางคนมีสิ่มีธรรมก็คงไม่แบบโชคร้ายค่ะแต่คนไรมันตายเพราะอย่างอื่นมากง่ายกว่าเยอะเนี่ยสงการเนี่ยตายไปอุบัติเหตุไม่รู้กี่ร้อยคนใช่เจ้าค่ะยอมแบบโอ้โหคนคนเสียชีวิตทุกวันคนเป็นลิ่มเลือดก็จากยายอย่างอื่นก็เยอ ะ, อะก็เลยแบบเออใช่เวลาจะตายมันหนีไม่พ้หนหลายคิดอย่างนี้ก็แล้วัน ใช่ค่ะโยมก็แล้มีพี่คนนึงก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยขนาดยาเขาเคยฟังว่าอา마คนหนึ่งหัวล้อหัวล้อหวัอหวล้อจนกรามค้างแล้วตายเลยก็มีโ ย, ยมก็บอกเออใช่เอ อ, เ อ, อถึงข้าวจะตายก็ตายสำลักข้ากินเข้าวไปสำลักข้าวตาย ใช่เจ้าค่ะมันก็เป็นของไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นโยมก็บอกน้องบอกไม่เป็นไรหรอกทำใจสบายๆจ้างบันเถอเราก็ปฏิบัติไปทีนี้โยมจะถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าอย่างโยมนั่งฟังญาติที่ทคุยกับพระอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วยมก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปด้วยหรือว่าเวลา ย, ยมคุยกับพระอาจารย์หรือว่าเราทําอะไรเราก็ขณะที่เราพูดเราจิตหนึ่งเราปากเราพูดแต่จิตเราคิดพุดโทโธพุโทโธอันนี้มันคือการเจริญสติหรือเปล่าเจ้าค่ะ ไม่ไม่ใช่นะเวลาพูดก็ต้องมีสติอยู่การพูดเวลาฟังก็มีสติอยู่การฟังถ้าไม่มีการพูดการฟังเป็นว่าอะไรเป็นไข่อยู่กับพุทโธอ๋อก็คือทําอะไรก็จดจ่ออยู่กับการกระทําใช่เวลาฟังก็ตั้งใจฟังเวลาพูดก็ตั้งใจพูดถ้าไม่ได้พูดไม่ได้ฟังแล้วใจมันจะไปที่อื่นก็ใช้พุทโธแต่ไม่พุทโธพุทโธ อันนี้คือการเจริญสติในชีวิตประจงเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่ใช่ฟังทำไปก็พุทโธพุทโธแล้วมันแข่งกันแล้วมันชนกันอ๋อมันก็จะไม่รู้อะไรใช่ไหมเจ้าค่ะมันก็จะไม่นิ่งมันจะไม่สงบอ๋อนั่โยมก็ทําผิดมาตลอดเลยวะนั่งโยมก็พุทโธพุทโธไปด้วยอ่าได้หล้วถ้าขับรถก็ให้อยู่อาการขับรถอย่าไปโมวพุทโธเดี๋ยวชนรถชนกันแหละ เจ้าค <Theory. ippy> ่ะเจค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรค่ะโยมก็พยายามปฏิบัติเจ้าค่ะปัตอนนี้เข้านักสมาธิก็เข้าเร็วขึ้นมันก็นิ่งขึ้นเร็วกว่าเดิมเจ้าค่ะยังตามใจนั้ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์รักษาธาตุขันด้วยนะเจ้าค่ะสาธุสักการณ์จากอิบิชาเป็นแบบเร็วเป็นยังไงตอนนิ้ปิดแคมป์แล้ว ทำอะไรอยู่ประเทมอยู่แล้วครับได้ปฏิบัติทั้งว่างไหมเสร็จแล้วออก็มีสวดมนต์บางครับนั่งสมาธิบ้างไหมนั่งใดไม่ที่บิฮอนก็ไม่เกิน5านาทีครับ5นาทีก็ยังดีครับนี่ก็ไม่ได้นั่งเลยงนั่คช่วงนี้ แต่ช่วงนี้แต่เวลาบางทีเวลาดิวก่อนติวหนังสือก็พยายามนั่งกำหนดสักหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยก่อนอ่านหนังสือเพื่อให้ตัวเองมีโฟกัสก่อนที่จะอ่านหนังสือสอบนี่ยครับขอบคุณโอเคหรือไม่มีอะไรนะจับมาหน้าสกันเฉยครับหน้าสกันก็พาหลวงพ่อไปว่ามาเป็นยังไงบ้างมีอะไรแบบ อายากถามหลวงพ่อเรื่องอุปราชสมาธิเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าส่วนมากอุปราชสมาธินี้เี่ยะแบบว่าเป็นของเก่าติดตัวจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะอุปราชสมาธิคนส่วนใหญ่จะไม่มีกันจะมีเฉพาะคบางคนอาจจะเป็นเพราะเป็นของเก่าติดตัวเข้ามาอยู่เจ้าค่ะแล้วถ้าแล้ว อย่างถ้าลูกได้เนียลูกก็ไม่ควรที่จะบอกใครแต่ลูกควรจะกลาบบอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วว่ามันถูกถูกหรือผิดอะไรอย่างเงี้ยควรจะถามไหมเจ้าค่ะหรือควรจะเล่าให้แม่ครูบาอาจารย์ฟังคนจะคุยกับอาจารย์ให้เขาเขารู้เรื่องแหล่านี้ถ้าเขาไม่รู้เรื่องก็อย่าไปคุยเจ้ า, าองาต้องลองแย่ดูดูว่าเขาจะพูดยังไงถ้าพูดไม่ได้เรื่องก็อย่าไปพูดเาจะถามหลือเขาจคถาม เออเปนเรือที่คนคนรู้จักน้อยนะคนรู้เรื่องเราหัวห น, นี้น้อยจ้อยนะฮว ท, ท, ที่ที่ได้หลวงพ่ลสมาธิเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะว่าโอ้ยลูกเพราะว่าลูกก็เอ๊ะเคยหลวงพ่อเคยถามบอกลูกว่าอืไม่ให้พูดกับใครอย่างเงี้ยลูกก็ mm hmm. วันหนึ่งกลับเมืองไทยแล้วลูกค่ยไปกลับบหลวงพ่อแต่ว่าอย่างคนที่อยู่ใกล้ลูกเงี้ยอย่างน้องริวหรือสามีลูกอะไรเงี้ย เขาก็จะรู้หรือหรือเพื่อนอีกคนหนึ่งที่กอยู่ตอนลนโตแล้วก็เราจะปฏิบัติทำด้วยกันเราก็เคยอยู่กับลูกเนี่ยบางครั้งมันมีอะไรโดยที่เขาบอกุอ้ยรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะพูดอะไรขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะแล้วอย่างบางทีเราไม่ได้หลับหรือถ้าสมมติว่าที่ลูกมันมันขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่ว่า มันมันขึ้นมาโดยที่ที่เราสมมติว่าเอ้ยเรารู้เรารู้ขึ้นมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลูกไปกล่าวพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านก็แบบมองมาที่ลูกใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วลูกก็เห็นคือเห็นแบบนั้นเลยอ่ะค่ะเห็นเห็นแล้วก็ก็ก็เลยไม่แน่ใจเพรก็ก็เก็บเป็นความในนี้มาตลอดแล้วก็ เก็บ ส, สถิติตัวเองแล้วบางทีจดไว้อันนี้โอ้ยเดี๋ยวเราจะกลับไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเจ้าค่ะความจริงเรื่องราวไม่ควรจะไปให้ความสำคัญกับมั น, นะคนวรค่ะควรพยายามดึงใจให้กลับมาให้รู้เฉยๆดีกว่าให้นิ่งให้สงบดีกว่าเนียเจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแต่ว่าลูกก็ไม่ได้ไปไอนี้แต่ว่าบางทีมันมันมันมัน มันขึ้นหรือมันมันมันมันขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่ลูกจะไม่จะผ่านเฉยรือแล้วก็อย่าไปตามมันอย่าไปตามลูกเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าเจ้าค่ะไม่ได้ลูกลูกไม่ได้ไปตามมันแต่ว่ามันพอมันไอ้นี่ก็รู้มาแล้วลูกก็ก็วังเฉยระวังเฉยตัวอันนี้เนี่ยลูกถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะอ่ามันไม่มันไม่เป็นร้าเป็นผลนะมันจะกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นกิเลสได้ นนถ้ามน้มัรังเจ้าเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะท่านนี้นะเจ้าค่ะหลวงพ่ออ่ะน้อยู่สถามหน่อยกันครับน้องริวมีคําถามครับอาาย่งางพระที่เป็นโสดาบันหรือว่าเด็กๆเขารู้ตัวไหมครับว่าตัวเองเป็นหรื อ, รอว่ า, า, ว า, วารู้รู้ว่าเขาคือเข า, าอาจจะไม่รู้ชื่อว่าเป็นอะไรแต่เขารู้ว่า เขาไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายแนละ้วร่างกายเขารู้ว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟ เ, เกิดแก่เจ็บตายเขารู้อย่างนี้เขาไม่ทุกเวลาร่างกายแก่เจ็บตายเขาก็จะเฉยเฉยไม่กลัวเขาจะรู้แบบนี้ไหนเขาไม่รู้จักชื่อว่าเป็นแบบรู้แบบนี้เป็นชื่อว่าอะไรถ้าไม่ได้อ่านตำราไหนถ้าไปอ่านตำราถึงจะรู้ว่าออกเป็นอย่างนี้ครับแล้ว ส่วนใหญ่ถ้าท่านจึงท่านรู้แล้วเดี๋ยวท่านก็จะไม่พูดใช่ไหมครับก็ไม่รู้จะไปพูดกับใครไม่พู ด, พดอะไรก็ม่รู้จะเกิดไปอยู่อะไรส่วนใหญ่ก็ไม่พูดกันคนที่รู้จริงนอกจากเวลามีเหตุให้พูดให้มีคนมาถามเอะไรก็พูดไปแต่ถ้าธรรมดาแล้วจะไม่ไม่ไม่อยากจะไปพูดเพราะมันพูดแล้วเดี๋ยวคนก็จะหาว่าโม้กระดานคุยก็ได คันี้นะครับค็ับคุณาค่ะสวีใหม่สวัสดีใหม่าด้วยเจ้าค่ะให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ้าค่ะสาธุสาธุกับสาธุขอบคุณเจ้าค่ะโอเคคุณมะลิเชิญคุณมะลิหายไปไหนหรอมามากาวนมัตสการหลวงพ่อครับ ตอนนี้มาถึงพัทยาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตักบาตรครับหลวงพ่อครับคราวนี้ตอนเด็กๆกับพ่อแม่พาผมมากลับหลวงพ่อวันนี้ผมจะพาพ่อแม่เอ๊ะพ่อแม่พาผมไม่กลับหลวงพ่ตอนเด็กแต่ตอนนี้ยผมจะพาพ่อแม่ไปกลับหลวงพ่อแทนครับอ่าดีครับรู้สึกว่าครับรู้สึกว่านั่งรู้สึกว่าพอมาทะเลปั๊บลองเล่นน้ำทะเลเออเวลาเราอยู่ใกล้ธรรมชาติ จิตใจมันเบาลงอะครับหลวงพ่อพระอยู่ในเมืองมันเห็นแต่ตึกมันมีแบบเต่งนุ่นอย่างนี้แต่พอมาอยู่ใกล้ธรรมชาติเออเรามันคือสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งที่ไม่มีแก่นสารอะไรเลยเราเหมือนแบบทั้งโลกสอนให้เราแบบหลีกหนีความเป็นจริงในธรรมชาติฝืนธรรมชาติในทุกๆเรื่องแนความคิดอะไรต่างๆแต่พออยู่กับธรรมชาติเออทุกอย่างมันมันเบาเลยครับหลวงพ่อได้เพราะว่าเราเรู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไม่ได้ครับนม่ได้อยู่กับธรรมชาติไปครับ หลวงพ่อที่หลวงพ่อปกติพ่อแม่โคจารจะสอนว่าพ่อแม่คือพระอาหารของลูกแต่พ่อแม่มีกิเลสอยู่ทําไมถึงเรียกว่าเป็นพระอาหารของลูกหรอครับอหมายถึงพรคุณของพ่อแม่นี่พระคุณเหมือนกับป้างหานครับพ่อแม่มีพระคุณกับลูกมากให้กําเนิดลูกเล่นดูลูกมาพระหารก็ให้ธรรมะให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดมากคทายเกิดแต่บางทีลูกเสียใยกับพ่อแม่บางทีรู้สึกทำไมแบบ พ่อแม่ยังมีคำพูดแบบจิกกัดเวลาเราทำอะไรไม่พอใจทั้งที่เราแบบเราก็เสียใจอย่างนี้ครับหลวงพ่อพ่อแม่ไม่ใช่เป็นท่าหลังจริงเป็นท่าหลังสมมติพ่อแม่ก็ยังเป็นคนมีกิเลสมันเหมือนคนทั่วไปอยู่ เ, เดี๋ยวผมเขาไปดูหน้าห้องหน่อยครับพ่อพ่อแม่นอนไปหรือยังครับจะได้ให้ถมากราบคุณแม่แบบป้ามากราบพระจันทุชาติของรับคุณแม่มากราบกันนี่ท่านอยู่นี่ อาจารย์ยังไงการบินไทยยังไม่จบนะการบินไทยถูกเอาออกไปเยอะเลยค่ะพอาจารย์เรเรายังไม่ถูกเอาออกนะก็โชคดีว่าได้อยู e. ่ต่อค่ะเราอยู่ต่อเพหายหมดเลยพอาจารย์เออเนกดำพิจารณา่าเป็นอเนกดำอเนกก็ออกแล้วเนี่อเนกอเนกก็ออกแล้วค่ะมาวัดไหวขึ้นอนันี้ค่ะเอาได้จะได้ไปปฏิบัติทําได้ จริงออกจากงานได้นี่ถือว่าเป็นบุญนะทางทางธรรหนูยังมีภาระกษ์ค่ะอาจารย์ยังมีกรรมอยู่ภาระกก็คือกรรมกรรมก็คือการกระทํายังต้องมีการกระทํายู่ค่ะอาจารย์คนที่ตกงานก็ไม่มีกรรมนะก็หมดงานแล้วหมดกรรมค่ะก็โอเคไม่มีอะไรนะไมมีครับหลวงพ่อ ดเดี๋ย ว, ยวนี้มาใส่บาตรนะนี่อตอนนี้อยู่ที่พัทยานะครับหลวงพ่อครับถามหน่อยครับที่หลวงพ่อบอกสี่งห้าเป็นเครื่องกั้น น, นรกแต่ถ้าสมมติว่าอะไรแบบคิดไม่ดีกับคนอื่นมันผิดสิ่งห้าไหมครับหลวงพ่อไม่ไม่ความคิดยังไม่ไม่จริงว่าเป็นบาตต้องไปด่าเขาต้องไปทําร้ายเขาถึงจะเป็นบาตรอ้าวแต่ถ้าเราคิดแบบอกุศลจิตใจเราเล่าร้อนถ้าเราตายแล้วไปตกนรกเลยครับหลวงพ่อก็เป็นนรกชั่อข่าวเชื่อว่าตอนที่คิดเท่านั้นเองอ๋อ แล้วมันก่อนผมมันก็หายไปอครับอัวันก่อนผมไปวัดบุ ญ, ญาวาามาด้วยครับก็อ่าดีในหาครูบาอาจารย์นะครับก็รู้สึกเอเอถ้าเห็นเมื่อก่อนเห็นพระอรหันต์เขายกแบบพระปฏิบัติพระพุทธเจ้ายกไว้เหนือหัวแต่พอไปพอฟังหลวงพ่อไปมาเออเราไม่ต้องยกใส่เหนือหัวเราให้อยู่ใส่ใจเราถ้ายกเหนือหัวมันจะบางทีดูเกินเอื้อนแต่ถ้าเราใส่ใจเรารู้สึกว่าเราเป็นแบบนั้นได้อะไรอย่างนี้ครับหลวงพ่ออ่าดีทุกคนเป็นได้ถ้ามีความความเพียรพยายาม เพราะถ้าคิดเหนือหัวปั๊บมันจะแบบเราจะเทิดทูนจนไม่ไดเอามาสู่ใจในบางทีอครับเหนือหัวหมายถึงความความลบยกยานครับเขาลบแค่หัวเแตวไม่ได้<ต>มไม่ได้เหนื อ, ไ ม, ไ, นอไม่ได้เหนือความสามารถของเราอ๋อครับครับได้หลวงพ่อถึงวัดประมาณกี่โมงอครับหมายถึงกลับมาที่สารานะใช่ครับพวกนี้เราไม่ได้ลงสารานะเราบิณฑบาตเสร็จแล้วเราก็จะไปชั้นที่อื่นท่านมาถึงบ้าง จะลงแต่เฉพาะ ว, วันวันธรรมดาถ้าเป็นวันหยุดราชการวันเสาร์ที่นี้จะไม่ได้ลงสาละอ๋อครับถ้าใส่บาตร ท, ที่ใส่บาตรเสร็จก็เรียบร้อยแล้วก็จบแครับใส่ใส่บาตรตรงตรงประมาณตั้งแต่หกมงเช้าไปถึ ง, ง, งประมาณเกือบหกงมงสี่สิบห้าประมาณสี่สบห้านาทีอ๋ อ, อโอเคอเ ค, ครับกราบสาธุหลวงพ่อเลยโอเค ไปที่คุณพิมพ์พิดาต่อเลยคุณพิมพิดาเชิญตอนนี้เป็นานอยู่ที่เวอร์จิเนียเหรอสบายดีบอกว่าท่านไม่ลงอยู่แล้วนี่คือกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์อยู่ที่เวอร์จิเนียค่ ะ, ะ, ะ, คะสบายดีค่ะเป็นงไงลูกสาวมาด้วยเปล่าค่ะลูกลูกชายตอนนี้เริ่มไปโรงเรียนแล้วค่ะหนูก็เลยมีเวลามาปฏิบัติเพิ่มขึ้นว่ะค่ะค่ะก็ก็ยังปฏิบัติต่อไปค่ะแล้วก็แบบพยายาม บางทีถ้าเกิดอยู่ที่บ้านแล้วเบื่อก็ออกไปนั่งนั่งสมาธิที่สวนหรือแบบแถวเนี้ยมิสุสานก็ว่าเดี๋ยวถ้าวันไหนอากาศดีก็จะไปนั่งตรงสุสานอะไรเงี้ยค่ะเออออลิงตันอ่าออลิงตันค่ะใช่ค่ะสุสานอลิงตันค่ะใหญ่มากเลยค่ะสุสานหลวงเนี่ยเป็นสุสานใหญ่ชาติใช่ค่ะแล้วก็อยู่จากบ้านเนี่ยเดินไปประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีค่ะก็ดีไม่ค่อยมีคนทุกพ่านนะค่ะคนน้อยค่ะอืม แล้วเขก็ไม่ห้ามให้เข้าไปได้เขาปล่อยข้าไม่ห้ามค่ะค่ะค่ะแล้วก็ไปทั้งหมดแต่ก็ระวังหน่อยนะถ้ามันมันเปี่ยวกันไปก็อาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะตอนนี้จะมีกําลังแอนตี้เอเชิเอชนอยู่เยอะก็มีข่าวเยอะเหมือนกันค่ะต้องระมัดระวังต้องต้องรอบคอบนะค่ะพระอาจารย์ถ้าเห็นข่ามไม่ดีก็อย่างเี้ยอย่าไปค่ะ ค่ะค่ะมันต้องดูแลดูแลจิตใจแล้วก็ต้องดูแลร่างกายด้วยดูแลทั้งสองส่วนค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะหนีจะระมัดระวังค่ะอืมโอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะกลับสวัสดีปีไหม่พระอาจารย์ด้วยนะคะด้วยค่ะกลับขอบพระคุณค่ะคุณสุภาพรณ์ได้พูดแล้วอย่างคุณสุภาพรเรียรู้สึกรอมานานแล้ว คุณสุภาพรได้ยินไหมอ่ปอมาปไมค์ได้จะพูดได้เลยแล้ยินได้ยังคะได้ยินนะอ๋อกลับมามาตการค่ะเ อ, อจะสอบถามนิดเดงค่ะพอดีว่าจะจะฝึกนั่งสมาธิให้มันนานขึ้นนะคะก็อย่ารู้สึกให้มันนานคือก็นั่งวิ่งย่ให้มันลุกมันก็นานหนึง่งถ้านั่งแลวลุกมันก็ไม่นานเลยค่ะ คือก่อนหน้านี้พอออ่นั่งได้สักครึชั่วโมงหนึ่งก็จะลุกเลยค่ะไม่เคยนั่งต่อเนื่องยาวนานก็ได้มันต่อก็ต้องพูดโทรไปแล้วสวดมนต์ไปถ้ามันถ้ามันไม่อยากนั่งมันจะลุกก็สวดมนต์ไปเท่าพูดโทรไปต่อค่ะเ อ, อวันนี้ก็ก็ลองได้หัก่ะคะก็คือเอาเมื่อวานค่ะเมื่อวานก็พอพอนั่งไปจนถึงเจอเวทนายเยอะๆปุ๊บ รู้สึกว่าจะทนไม่ได้ก็ส่วนมนต์เอาอ่ะค่ะก็คือส่วนบทพาหูงอะคะ่ะ<อ>สวดไปไหลายรอบมากเป็ส น, สนสิบกว่าร อ, อบค่ะอะไรนะคะแล้ก็นั่งนั่งต่อไปได้อ่าค่ะแล้วก็จนจนมันคลายแล้วก็เออ่จิตก็สงบแล้วก็รวมลงเออแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงลึกมากนะคะก็ลงแบบผิวๆแต่รู้ว่ามันสงบอ่ะคะ่ะเะรับแล้ว ค่ะวันนี้ก็เลยลองทําต่ออะไรเงี้ยค่ะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างจนจนตอนใบบ้างก็ลองทําอีกก็คือสวดมนต์ต่อแต่เหมือนกับว่าลึกเลกๆใจอาจจะมีความอยากค่ะมันก็เลยเหมือนทนความเจ็บไม่ไหวเจ็บมากเจ็บมากแล้วก็ก็เลยลองใหม่พอทักจับตรงเวทนานเอา<ห>สติจับตรงเวทนาน ค่ะก็เลยกําหนดลมหายใจพร้อมกับเวทนาไปพร้อมกันเลยอะ่ะแล้วก็ทําได้ต่อเนื่องจนมันคลายอะ่ะค่ะดีทําถูกต้องทำไป อ, อ่อก็เลยสงสัยว่าครั้งต่อไปถ้าเราจะนั่งให้มันยาวนานแบบนี้อะค่ะเราเราควรจะทําแบบนี้หรือว่าแบบแบบสวดมนะ่ะค่ะก็ทําแบบนี้แนะทําแบบไหนก็ได้ที่ทำให้าเานั่งต่อไปได้สวดมน์ก็ได้จะพุโทโธก็ได้จะดู เวทนาคู่ไปกับลมก็ได้อันไหนที่มันทําให้เรานั่งได้ก็โ okay. อเคค่ะก็คือต้องก็ต้องนั่งแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมคะมันยังมีความเจ็บอยู่แต่ว่าเป็นความเจ็บที่ทนได้แล้วก็อยู่กับมันได้ได้นจนนั่งได้นานเท่าไหร่ยิ่ง ด, ดยยงีสี่าชั่วโมงหกเจ็ดชั ม, ง, 6, 7, มงได้ยิ่อืมอันนี้นไม่ถึงกิเลสเป็นการหยุดกิเลส พอลุบปั๊บเหนืกิเลสมันกหลอกให้เราไปนู่นมานี่เป็นกิเลสไปเราต้องการที่จะคุมกิเลสมันต้องนั่งเฉยๆเข้าใจไหมก็ต้องทําแบบนี้ไปก่อนสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะถึงจะพิจารณาทางปัญญาได้ เ, เวลาเราไม่ได้นั่งเราเวลาไม่ได้นั่งเราก็พิจารณาทางปัญญาได้เลยพิจรารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิเดแก่เจ็บตาย เราเป็นพิสูจน์หรือว่าเราเรายังยึดถือยังยึดกับร่างกายหรือเปล่าเรายังทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายหรือเปล่าเรื่องปัญญาค่ะถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรายอมรับว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราเราไปสั่งมันไม่ได้ ไม่ใช่ของเราก็ปล่อยวาง่า้ปล่อยร่างกายได้ใจก็จะหายทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายนั่นคือปัญญาทํากันคนละช่วงกับการทําสมาธิแวลาทําสมาธิไม่ไ ม, ไม่ไม่ทําปัญญาเวลาออกจากสมาธิแล้วถ้าต้องการทําปัญญาก็พิจารณาร่างกายว่าเป็นไตายักษอนิจจ์อนัตตา ถ้าไปยึดไปติดก็จะทําให้เกิดความทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดไปปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแล้วเออเราจะทราบได้ยังไงคะว่าไอ้การคิดทางปัญญาเราเนี่ยเออมันมันใช้ได้แล้วอะคะโดยเราไปหาหมอหมอบอกว่าเป็น ม, นมะเร็งมัะเร็งเนี้ยหรือเสียใจเราเฉยยังไม่เฉย ถ, ถ้าตกใจถ้ากลัว ไม่ถ้าไม่นิ่งก็แปลว่าสอบตกนะแตถ้าพอมองว่าหม อ, หมอบอกคุณเป็นโรคมะเร็งเลยเหกเดือนนะถึงว่าดียังมีเวลาต้องหกเดือนที่ว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้ตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่เดือดร้อนถึงเวลามันต้องไปก็ปันไปนี่คือการทดสอบดูปัญญาของเราพอจใจยังค่ะ เข้าใจแล้วค่ะโอเคมีอะไรอีกไหมค่ะไม่หมดค่ะไม่มีแล้วค่ะเท่านี้มันได้อยู่บ้านแล้วอยู่วัดเนี้ยอ่า อ, อยู่บ น, นบนเขาเนี่ยค่ะบนเขานะอ่าเป็นไม่ไดนที่บนเขาที่อยู่อืมเพ้นอยู่หลังเดียวนะคะหลังเี้เวโอเค ด, <c oughs> okay. ดีหลังเดียวก็น่ากลัวหน่อยนะดีไนหะ <c oughs> มกลัวไหมเออดีขึ้นค่ะคือค <c oughs> อ คือก่อนจะมาปฏิบัตินะคะพอพอคิดได้ะคะ่ะว่าเออคือกลัวน้อยลงะะอ่ะค่ะคือคิดอืมจําไม่ได้แล้วว่าคิดยังไงแต่ว่าคือกลัวน้อยลงะคะ่ะแล้วก็เออ่กลางคืนกับตอนเช้ามืดอ่ะคะ่ะอนที่ตื่นนะคะ่ะก็ออกไปนั่งด้านนอกได้ะคะ่ะอ่าไม่กลัวแต่ว่าอะไรนะคะไม่กลัวแล้วก็ กลัวมากแต่ก้ากล้ากลัวพอดีว่าตอนนี้มันต้องแบบสู้กับเวทนาที่มันเจ็บอ่ะค่ะพอเราสู้กับตรงนี้ปุ๊บไอ้ตรงนั้นก็ก็จะหายไปอะไรก็ไม่ได้กลัวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าไปถูกถามแล้วนะขอบคุณค่ะเออจะถามนิดนึงคือว่าที่อดอาหารเนี่ยค่ะ ที่พ่าจามบอกว่าเราสามารถดื่มแบบเครื่องดื่มที่มันมีน้ําตาลได้อเอ่อต้องกินเป็น เ, เป็นเวลาหรือเปล่าคะถ้าถ้าเป็นของที่เป็นนมถือว่าเป็นอาหารนี่ต้องกินก่อนเที่ยงแต่ของที่ไม่มีนมนี่กินตอนไหนก็ได้น้ําขิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ําขิงน้ําอะไรที่มีน้ําตาลน้ําชาตอนแปรใส่น้ําตาลดื่มได้ตลอดนะแต่ไม่ควรจะดื่มมากเพราะเราดื่มเพื่อบรรเทาความอิดโรยความ ความขาดพลังงานของร่างกายจะไปดื่เพื่อมาทดแทอาาแอนอาหารค่ะแล้วอดอาหารเพื่อให้มันเกิดความทุกข์เราจะได้กระตุ้นการปฏิบัติของเราให้สู้ออกับความทุกข์ไม่ใช่ไปไปสู้ออกับความทุกข์้วยการไปกินอะไรต่างๆเพื่อดับความหิวนี้ก็อย่าไปอดให้มันเสียเวลาเข้าใจหมค่ะเข้าใจแะ โอเคนะค่ะโอเคคุณกาแล็กซี่แท็บเอเชิญคุณ Galaxy Tab A ท็บเอฮัลโหลโอเคฮัโโลโหลอ่าภาพหายไปออกกลับมาแล้วอ่าฮัโลโหลอ่าได้ยินนะพูดได้เลยอ๋อบัดดีครับอยู่ที่ไหนอยู่เชี่ยงใหม่ครับไมค์ ครั้งแรกเลยครั้งแรกครับมีอะไรไหมมีถามเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติทั้งหมดเลยฮะตั้งแต่ปฏิบัติมาเอหลายภพหลายชาติแล้วแล้วก็ปฏิบัติพยายามปฏิบัติตามคําสอนมาเรื่อยๆฮะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนคารวาทั่วไปเสร็จแล้วก็เริ่มถือศีลแปทุกวันพักแล้วก็ ถือศีลห้าทุกวันแล้วก็ฟังทางเทศฟังธรรมธรรทานตลอดอะไรอย่างนี้ฮะแล้วก็เลเวลแล้วเราก็มาถึงจุดที่ว่าเราไว้ทางานเราประสบความสําเร็จเรื่องการงานเรียบร้อยเราก็ไม่มีภาระอะไรแต่ว่าเราก็อ ม, มันเหมือนกับว่ามันไล่เลเวลขึ้นไปเรื่อยๆเองตามธรรมชาตินะฮะเสร็จแล้วก็ถ้าในเรื่องของปฏิบัติก็คือเข้าไปถึง ถ้าถ้าเราไม่อ่านหนังสือไม่ฟังที่ครูบาอาจารย์สอนก็เราก็เทียบเทียงไม่ได้แต่ว่าพอเราปฏิบัติไปถึงขั้นเมื่อก่อนเคยปฏิบัติแต่ว่าพอเราถูกเอ่อเหล็ดแทงที่ขาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เรากเ็เราก็เข้าไปในสมาธิเลยความเจ็บนั้นก็หายไปทันทีเราก็ชอบแบบนี้บางทีเราป่วยไข้หรือมีอาการอะไรเราก็แวบ เข้าไปในตรงนั้นเองเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็มาถึงตรงจุดที่ว่าถ้าเราภาวนาพุโทโธไปเนี่ยเราก็เราก็สงบเราก็ตามดูแต่พุโทโธแต่ว่าถ้าเราเกิเลสมันขึ้นมาจิตมันซ้อนสองฝั่งแล้วเราตัวกิเลตจริงๆมันคืออยู่ตัวที่ความคิดหรือเปล่าครับอาจารย์ ก็ความคิดนี่มันเป็นได้ทั้งสองทางเป็นกิเลส ก, ก็ได้เป็นธรรมะก็ได้เป็นปัญญาก็ได้แล้วแต่เราจะคิดไปทางไหนแล้วถ้าเกิดว่าเราจะถอดถอนค่าฟันกิเลส จ, จริงๆนี่เราต้องทํายังไงคืออย่างที่พระอาจารย์เคยสอนว่าเอาต้องต้องมาสอนการคไปทางปัญญาที่ไปทางปัญญาเช่นกิเลสมันคิดว่าไม่อยากตายก็ต้องคิดว่ามันต้องตายร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันต้องตาย แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราอเราจะเราจะแบบปฏิบัติตามำคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างแน่แน่นอนหรือเปล่าครับพระอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีครูบาอาจารย์มาแก้สอนเราเราก็ได้แต่เพียงแต่ อ, อ่านหนังสือฟังซีดีฟังเทศไปแต่การปฏิบัติเราก็คล้ายๆกับหนังสือคล้ายๆกับที่ครูบาอาจารย์เทศแต่ว่า แต่ว่าเราก็กลัวปฏิบัติเองแล้วมันไม่ชัวไปเรื่อยๆเนี่ยครับไม่ต้องกลัวหรอกปฏิบัติไปแล้วมันจะมีความมั่นใจมากขึ้นเองถ้ามันได้ผลแล้วมันจะรวยไม่น้ำกลัวอัตาอิจฉาโนนาโถมันจะไปถึงขั้นที่เราต้องพึ่งตนเองแล้วมันต้องรับาจะบอกแนวทางนั้นแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเราต้องเป็นผู้พิจารณาเองเป็นผู้ ป, ปฏิบัติเองแล้วต้องมีลักษณะเหมือนกับว่าอย่าง โดยอ่านทีว่าประวัติครูบาอาจารย์ต้องเออสมัยมาก่อนคือปวดตั้งแต่อายุยี่สิบแล้วแล้วก็ไปฝากตัวอยู่กับครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นต่างๆที่แล้วสุดท้ายแล้วก็บรรลุเป็นพระอหรหันต์แล้วก็ตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็หกสิบเจ็ดสิบกันเยอะแล้วแล้วถ้าเราอายุสามสิบกว่าแล้วอนาคตเราต้องไปฝากตัวหรือว่าเราสามารถปฏิบัติแน่ใจแน่นอนว่าอนาคตเราก็บรรลุได้เหมือนกันอย่างเงี้ย เออถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะมันจะบรรลุดได้เราตอนนี้เราก็มีธรรมะคำสอนของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วก็รุ่นๆรกุ่นหลายของครูบาอาจารย์ก็โผล่ขึ้น ม, มาต่อไปเองคนระับไม่ต้องกลัวรามีมาเป็นรุ่นๆุนไปแล้วถ้าเราอยากจะฟังเทศในส่วนที่เฉพาะจอดลุกในเรื่องของการถอดถอนกิเลสในขั้นต่างๆในขั้นโสดาในขั้น กี่าอนาคารหันอย่างนี้นี่เราจะต้องทำยังไงบ้างครับก็ไปอ่านเกี่ยวสังโยชสิบประการนะนั่นคือรายละเอียดที่จะบรรลุทำขั้นต่างๆอยู่ที่การละสังโยชนสิบประการด้วยกันลองเสิร์ชแไปในเน็ตเดินใน Google ก็ไดก็คือตอนนี้โคบาจานเทศอะไรก็ปรับเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นตอนนี้ถ้าไปเที่ยวกินอยู่กับคนอื่น มันเราพอมีเงินมีทองเสร็จแล้วเราก็ไปกินใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นใช่ไมพระอาจารย์แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่ให้ความสุขกับเราอีกแล้วกินรูปรสกินเสียงก็ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอีกแล้วแล้วพอเรากลับมาเราก็ทุกข์เป็นร้อนเป็นไฟอย่างนี้ง่ายๆแต่เราก็เหมือนทําชีวิตเหมือนกับคนอื่นแต่แต่เรากลับร้อนเป็นไฟก็ต้องมานั่งสมาธิอย่างนี้นี่คือเป็นอาการปากเลเวลหรือเปล่าอ่ะ เธอมันก็ต้องปรับเข้ามาหาสมาธินะเลิกเที่ยวเลิกกินเลิกดื่มมันจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆต้องตัดทางโลกตัดทางกิเลสความสุขทางโลกแล้วก็มาหาความสุขทางธรรมแทนนั่งสมาธิทำปฏิบัติ ป, ปฏิบัติ ท, ทำให้มากขึ้นเที่ยวให้น้อยลงกินให้น้อยลงดื่มให้น้อยลงถ้าพัฒจาปฏิบัติไปเรื่อยอยู่ในทานศีลสมาธิปัญญา มันก็มันก็สามารถบรรลุได้ในชาตินี้ใช่ไหมฮะได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญามันก็บรรลุได้แล้วป่าสจากเทนโน่ด้วยหรือเปล่าฮะหรือว่าฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวก็พอก็แล้วแต่สติปัญญาของแต่ละคนบางทีฟังเองเข้าใจก็ไม่ต้องมีคนมาอธิบายให้ถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะต้องไปถามคนนู้นคนนี้ที่เขาสามารถจะอธิบายให้เราเข้าใจได้ ฉัขอถามข้อสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการถอดถอนกิเลสฮะว่าถ้าเราปัดเรานั่งสมาธิไปถึงตรงนั้นแล้วแล้วเราจะฆ่ากิเลสได้ยังไงนี่คืออยากทราบตรงนี้มากเลยครับเ อ, อก็เวลามันผล่ ข, ขึ้นมาไลเช่นตอนมันอยากจะไปกินอะไรยังไม่ถึงเวลากินก็อยากไปกินกท่ามันคะอันนี้ก็แปลว่าฆ่าแล้วเหรอฮะ อ, อ่าท่ามันแล้วฝืนหนึ่งนะฝืนกิเลสการฝืนกิเลส ก, ก็คือการฆ่ากิเลส อยากไปทาตามมันทุกอย่างเลยนะฮะถ้าเราอยู่ยในสิทธิ์ให้มันกินได้ให้มันทําได้เฉพาะเวลาที่มันจําเป็นถึงเวลาเช่นอาหารก็ให้มันกินวันละมื้ออย่างเนี้หลังจากกินเสร็จแล้วอยากจะกินอีกก็ไม่ให้กินแล้วมไม่ทําตา ม, ามไม่ทําตามความอยากแล้วต้องสอนใจด้วยไหมฮะหรือว่า ไม่ทําตา ม, ตามคำก็ต้องสอนว่าการทําตามความอยากนําไปสู่ความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดนะนําไปสู่ความอยากไม่มนวันสิ้นสุดเพราอยากว่าอยากนี้ได้ได้ทําแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกลับมาทําอีกใช่ไหมได้เที่ยวแล้วก็อยากจะกลับไปเที่ยวอีกแล้วพอไม่ได้เที่ยวมันก็จะทุกข์แล้วคนที่บรรลุเป็นพรนะอรหันต์พระอาจารย์คือว่าต้องผ่านขั้นโสดาสกิทาอนาคาทุกอย่างเลย ใช่มันก็เป็นขั้นๆไปเหมือนเรียนเป็นญาตีโทเอะนี่สามขั้นถ้าไม่ผ่านก็คือก็ไม่มีบันไม่มาเป็นอรหันต์ไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมครัก็ต้องเป็นโสดาก่อนเนะถึงจะไปเป็นสกิรดาคาแล้วก็ไปเป็นอนาคาแล้วก็ไปเป็นพระหลานต่อไปอเดี๋ยวค่อยมาถามอาจารย์มาแล้วถ้าพระถ้าพระป่วยอาพาธนี่ถือศิลแล้วหมอบอกให้กินข้าวสามมื้ออย่างงี้ต้องกินไหมครัหรือว่าไม่กิ น, ใ ห, กนให้กินอะ ไม่จำเป็นต้องกินก็คือถือสินไหนก็ให้ยาก็ให้ตามนั้นไม่ต้องกินข้าวเย็นใช่ไหมครัไม่ต้องไม่ต้องกินข้าวกินมื้อเดียวก็พอถ้าถือถ้าถ้าค่อยกินมือเดียวก็กินมื้อเดียวถ้ากินกินสองมื้อก็ไม่ไม่ไม่กินหลังเที่ยงวันก็แล้วแล้วหมอจะให้ยาอะไรตอนหัวข้ามก็แล้วแต่ก็เรื่องของหมอไปแต่ถ้ามันกินแล้วมันท้องว่ามันทําให้กัดกระเพาะก็อยากกินมันเปลี่ยนสิ บางทีก็ต้องเลือกระหว่างธรรมะกับชีวิตพระพุทธเจ้าบอกให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะได้ครับเดี๋ยวไปเรียบเรียงคำถามมาถามพ้อาจารย์ใหม่รอบหน้าโอเคอท่านนี้ก่อนนะโอเคคุณปรทรปรทธรฤทธ์นะปะทธรฤทธ์เชิญโอเอข้ามไปภาพมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ที่ไหน อยู่ประทุมธานีครับพระอาจารย์ครับอืว่าไงมีอะไรไหมอ๋อไม่มีครับเข้าฟังธรรมพระอาจารย์เฉยครับแต่ก็จะมารายงานว่าเอการนั่งสมาธิได้ผลดีครับตามที่พระอาจารย์สอนให้ดูลมครับคือตอนที่จิตผมจะฟุ้งไปก็เอระลึกได้คือเสียงของพระอาจารย์แล้วก็อไปหน้าพระอาจารย์ที่บอกว่าให้ดูลมก็สามารถที่จะดึงจิตกลับมาได้ไม่ฟุ้งครับอาจารย์ครับก็ดีครับ พยยามปฏิบัติเางน้อยบ้างนะปัจุบัิให้มากขนะึ้น ไ, ไปเรื่อยๆโอเคมีใครอีกไหมที่ไม่ได้ถามรอบแรกนี่หมทณทวุฒิคงรัจำเป็นภาพนิ่งนะไม่มีใครแล้วนี่ไปที่ f a c e b o o กแล้วกันเฟซบ o ๊ ม, มีคำถามไหมคุณหลาเออมีห้าคำถามจากสีท่านเจ้าค่ะเชิญถามได้เลย คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีสองคำถามปรับเลนถามพระอาจารย์ดิฉันนั่งสมาธิอยู่กับความว่างสักพักรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจก็จะพยายามดูความว่างต่อไปโดยไม่สนใจความรู้สึกการเต้นของหัวใจสักพักก็จะเป็นอีกอันนี้เกิดจากการไม่มีสติหรือเปล่าคะและหนูควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ให้รู้เฉยๆไป เวลาจมลามยารปรากฏขึ้นมานี่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันเกิดจากอะไรให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติมันก็คือให้ศึกแต่ว่ารู้อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปไล่มันอย่าไปเด้งมันไว้มันจะไปก็ปล่อยมันไปมันจะมาก็ปล่อยมันมาเรากลับมาที่อารมณ์ที่เราใช้เป็นที่ผูกใจกลับมาที่พุโทโธหรือกลับมาที่ความว่างก็ได้คาถามที่สอง ปัจจุบันเดินจงกรมสองชั่วโมงสลับกับนั่งสมาธิสองชั่วโมงวันละ 2- อสรอบโดยเป็นการนั่งดูลมหายใจประมาณหนึ่งชั่วโมงและนั่งสวดมนต์ต่ออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงในท่าเดิมสติระหว่างวันยังอยู่กับพุทโธได้ไม่ต่อเนื่องหนูควรป ร, ปรับปรุงตรงส่วนไหนบ้างเจ้าคะก็ป ร, ะปรับปรุองสตินะพะยายามให้ ม, มันไม่ต่อเนื่องให้มากๆให้มันเป็นสัมปชัญญะขึ้นมา และเวลานั่งมันจะได้สงบได้เริ่มกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้คณถามต่อไปจากคุณกายาสิทธิ์เวลาขับรถแล้วชอบมีแมวไก่ตัดหน้ารถแล้วชนโดยไม่ได้ตั้งใจจะบาปหรือเปล่าครับถ้าไม่มีเจตนาไม่บาปหรับคณถามต่อไปจากคุณกวีอารมณ์ของอัปปนาสมาธิเป็นอย่างไรครับ ก็เป็นเรื่องสิบบอกว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นอธิบายยังไงก็ไม่ช่วยให้ลืมตาดูเองดีกว่า ป, ปฏิบัติไปเองเดี๋ยวมันถึงแล้วมันก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงมันสงบมันนิ่งมันเย็นมันสบายก็พูดได้อันนี้มันสุขมากๆเป็นความอัศาจรรย์เป็นความสุขแบบอัศาจรรย์ใจคำถามสุดท้ายจากคุณมสิชชากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตเรียนถามเรื่องการภาวนาเจ้าค่ะ นั่งภาวนาจนมีอาการซ่านทั้งตัวทั้งหน้ามีอาการแน่นหัวแน่นตัวแต่ก็ภาวนาพุโทโธต่อไปตามที่พระอาจารย์เคยบอกจนทุกขเวทนาปวดหน้าปวดสะโพกจนจะทนไม่ไหวแต่ก็ภาวนาพุโทโธทีๆเพื่อจะให้ลืมปวดแต่ก็ยังปวดจนจะถอนตัวเลิกนั่งแต่ปรากฏว่ามีแสงสว่างจ้าเหมือนแสงไฟฉายมาใส่ด้านหน้า ก็พิจารณาว่าคืออะไรนานพอสมควรจนจะเข้าไปพิจารณากายแต่ความรู้สึกมันดึงมาดูแสงเหมือนเดิมนั่งไปนานสักพักก่อนจะเลิกนั่งก็อุทิศบุญกุศลแสงสว่างก็ยังอยู่นั่งนองอยู่อย่างนั้นนานเลยค่ะควรทําอย่างไรคะพระอาจารย์ขอความเมตตาค่ะอ๋อไม่ควรไปสนใจกับแสงสว่างหรือ ก, กับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราภาวนาะ ให้สนใจอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ผูกใจไว้จะเป็นลมหรือจะเป็นพุโทโธให้เราอยู่ตรงนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยมันมันเป็นอนิจจังทุกขงังอนตัตตาคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะคำถามหมดแล้วมีใครอยากจะถามอีกไหมมีสองท่านใหม่เข้ามาเจ้าค่ะคุณนัทวุฒิคุณนัทวุฒิคุณหมอนัทวุฒิจ้าเชิหมอสบายดีแล้ว อยู่บ้านแล้ว อ, อยู่โรงพยาบาลเนี่ยวันลไปไมรร่ค okay. รโฟงหมือนกลับน้มัสมัชการอารจารย์ครับอยู่ที่บ้านครับนะโรงพยาบาลนะครับก็มาเข้ามาฟังครับนะฮะผมก็ <c oughs> ช่วงนี้ก็พยายามปฏิบัติก็พยายามตามดูสติอะครับถ้าถ้าท่าถ้ า, า, าไม่ต้องคิดจตมีภ <c oughs> าังงานอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าว่างก็พยายามตามสติ โทรไปหรือไม่ก็อ่พัดเดินก็ไปตามพวกอ่าการเดินอะไรไปแต่ ว, ว่าก็ยังรู้สึกว่าก็ยังยังจิตส่งออกอยู่เยอะครับไปไปตามดูข่าวดูอะไรเยอะไม่ไม่เข้าไปอยู่ข้างในไม่อยู่กับตัวรู้แต่ยังไปสนใจเรือ่องไปนอกเยอะต้องติดตามข่าวใกล้ชิดหน่อยครับอ้าติดตามได้แต่ไม่ต้องไปติดตามมันตลอดเวลา เอาไม่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยแต่ก็มีก็ไปอ่านข่าวแค่นี้หน่อดครับะอให้มันรู้ว่าว่าเป็นอะไรมีอะไรแล้วเราก็กลับมาอยู่ในปัจจุบันของเราต่อให้ถ้าปฏิบัติไปจะมีโอกาสได้มาหรือเปล่าตั้งแต่แรกตั้งใจว่าจะไปวันศุกร์ครับนะะไม่รู้เขาจะจะล็อกดาวน์ไหมมีข่าวแล้วว่าเขาจะปิดงานครับฮะแต่ว่าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ล็อกดาวน์คิดว่าอาจจะไปอยู่สองสามวัน ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรครับพยายามปฏิบัติอยู่ครับแต่อยูข้างนอกก็ไม่มันก็ไม่ได้สงบเหมือนอยู่ไปไปฏิบัติอยู่ข้างในอ่าไม่เหมือนอยู่ในในป่าในเขามันไม่เวกกว่าสงบกว่าครับนะครับโอเคนะครับคุเวนดมีตอเวนดมีคุณเวนดมีเชิญเปิดไมโครโฟนมิวท์ไมโครโฟน คุณเวทวีร์เชีสวัสดีค่ ะ, อ, นนคะอยู่ที่ไหนมาจากที่ไหนอ๋ออยู่กรุงเทพค่ะอ่ามีอะไรไหมอไม่มีค่ะพอดีเพิ่งลองเข้ามาเข้ามาในโปรแกรมกลุมครั้งแรกค่ะพือ่อพอดีฟังทาง a ฟ e บ o o k ค่ะแล้วก็อยากจะได้ลองเข้ามาจอยกับกลุ่มค่ะต อ, อนนี้คือปฏิบัติก็คือยังนั่งสมาธิค่ะแต่ว่า อ, อตัวเองจะมีสภาวะเรื่องความโกรธอยู่เยอะค่ะคือแต่ก็พยายามที่จะคิดเอ่อคิดคิดให้คือเหมือนกับว่าเวลาที่เราโกรธแล้วก็คิดใ้ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะหายหายไปเือคือไปโกรธก็เอ่อมีแต่โทษไม่เป็ประโยชน์ก็พยายามจะคิดอย่างนี้นะคะก็คือค่อยค่อยลดลดลดความกลัวแล้วก็เวลานั่องสมาธิเราก็จะพยายามนั่งแล้วก็ คือเหมือนแบบนั่งนั่งให้นานนานนานขึ้เรื่อยๆอ่ะแต่ก็ค่ะก็พยายามปฏิบัติมาค่ะพยายามนั่งให้นานนั่งให้นิ่งด้วยนะคือมันมันจะมีสภาวะหนึ่งอะคะ่ะคืออยากจะถามอาจารย์ซึ่งเมื่อกีกนเพิ่นั่งสมาธิเสร็จคือในกรณีที่เรานั่งสมาธิไปเรื่อยๆนะคะอย่างนั่งครบหนึ่งหนชั่วโมงเ น, นี่ยค่ะครนี้พักครบหนึ่งชั่วโมงปุ๊บใจเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะลุกลุกขึ้นแล้วเหมือนกับคล้ายๆว่า มันเหมือนเริ่มขาขาเริ่มช้าแล้วรู้สึกเริ่มร้อนร้อนลนกับขาช้าขาช้าอยากจะลุกรู้สึกว่าใจเริ่มเนทุกข์ค่ะคือในในระหว่างนั้นเนี่ยเราควรจะลุกออกจากทุกตรงนั้นหรือเราควรที่จะนั่งต่อไหมค่ะถ้าถ้านั่งต่อได้ก็นั่งแต่ต้องต้องต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่คือตอนนั้นสติเราหมดแล้วสู้ความอยากไม่ไม่ได้นะถ้าเราหยุต่อแล้วก็ต้องสวนวนไปนั่งสวนวนต่อไปหรือนั่งท่องพุทโธต่อไป อ๋อคือคือเราเราไม่พยายามไปจับจุดตรงที่เราเ อ, อขาดชาใช่ไหมคะคือหมายถึงว่าเราไม่ได้ไปสนใจเรามามาหางานให้ให้ใจทำเพื่อให้ส่วนมนไปหรือให้ท่องพุทโธไปแล้วงานความอยากมันก็จะลดน้อยลงไปแล้วมันก็จะนั่งต่อไปได้แล้วมันก็สงบได้ครั้งนี้ถ้าเรานั่งนั่งต่อไปนะครับอาจารยแล้วครา้นี้เราก็รู้ได้รู้สึกฟูสซ่าน พอฟงสร้างเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับมันท่องพุทโธอีกก็คือทสาสลับไปสลับมาทีเราฟงสร้าง้ก็ท่องพุทโธก็คือการพุทโธไปไเรื่อยอย่ า, ยาหยุดพุทโธโอเคค่ะค่ะ <พอ S 1> แล้วนนมันก็จะฟงได้ค่ะคราวนี้เรื่องเรื่องกาหนดลมหายใจอะคะ่ะเวลาเราพุทโธเนี่ยเราไม่จเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเราต้องหายใจยาวแล้วก็ <ไม S 1> จต้องไม่ต้องบังคับลมลมมันจะสั้นหรืนยาวป่วยมันเป็นไปตามธรรมชาติใช่มอือืมค่ะค่ะค่ะ สาธุค่ <Okay. S 2> ะอาจารย์ค่ะมาคำถามค่ะโอเคคุณวินาทีจะถามว่าเนี่นออยนําเจ้ามีมีคำถา ม, มั้ยถามท่านพรอาจารย์เพิ่งพินนงึกออกเพิ่ง น, นึกขึ้นมาได้ระหว่างฟังธรรมค่ ะ, ะท่านพระอาจารย์ค่ะเหมือนท่านเคยบอกโยมว่าการที่เรานั่งภาวนาค่ะเราจะต้องให้ทวนกระแสจิต เป้าหมายคือทวนกระแสะจิตให้มันเข้ามาถึงฐานกายทีนี้เราจะไม่สามารถรู้ทำเห็นทำได้เลยใช่ไหมคะถ้าจิตเราไม่ถึงฐานกายนะคะคือต้องฐานใจไม่ใช่ฐานกายแล้ว<ช><ช>เข้าไปฐ<ช><ช>านจิตก็คือเข้าไปอัปปนา<ช>สมาธิเข้าไปสู่ความนิ่งความว่างแล้วมันจิตมันก็จะไม่มีไม่มีโมหะคอยครอบงำจิตใจมันก็จะเห็นไตรลักษณ์มันจะเห็นอริยาสามัมปชัดญญะ ทีนี้อีกคําถามหนึ่งนะคะโยมไปฟังเทศของท่านหลวงพ่อพุธโยมงงมากเลยค่ะท่านพระอาจารย์มีคำสองคำคือลักขณูปนิชฌานแล้วก็อารัมมณูปนิชฌานเหมือนกับว่าฌานหนึ่งไปนิ่งรู้อยู่กับที่เหมือนอัปปนาค่ะโ ย, ยมเข้าใจอย่างนั้นนะคะในความรู้สึกอีกฌานนึงก็คือ อ, อาการอีกอย่างของสมานธิธก็คือการที่มีสติตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะไม่รู้ว่าโยมเข้าใจถูกหรือเปล่าแล้วแบบไหนที่เราควรจะทําคะท่าน คือเราก็ทําแบบที่เราเคยทําให้อยู่กับรู้อยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวจะเป็นลมก็ได้เป็นพุดโธก็ได้เป็นแสงก็ได้ท่านั้นเองไม่ต้องไปยุ่งยากบางทีท่านพูดแล้วบางทีภาษามันทำให้เราสับสนได้ใช่ค่ะใช่ค่นะสรุปแล้วก็คือทาเหมือนที่แบบที่เราเคยทามาได้ทาใจให้เป็นหนึ่งให้มันเป็นหนึ่งกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่พุโทโธแล้วด ม, มหายใจด้วยกระดูกก็ได้บางทีบางคนใช้กระดูกก็ให้มีกระดูกอยู่ภายในความในความคิดอยู่ในภายในจิตอย่างเดียวให้รู้อย่างนั้นอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องอื่นจัดเต็มค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าต่อไปเวลาจิตมันเง็งมันสงบจริงจริงมันจะว่างทุกอย่างมันจะหายไปหมด จะพยายามทำต่อให้ถึงแล้วท่านอาจารย์ยังไม่ถึงค่ะทำไปเรื่อยๆอย่าไปอย่าไปกังวลอย่าทำให้เราท้อได้ทำไปให้มีสติอยู่กับอารมณ์เดียวเดี๋ยวมันพาเราไปเองพอไปคิดล้ามันมันก็จะกลายเป็นนิวรันขัดขวางทางเดินได้อีกไม่ดทให้ท้ออีกโอเคนะใครอยากจะํามไหมอ่ คุณทีแพ็กกคพ ก, า ก, การนั่งมาสการอีกรอบค่ะพระอาจารย์ ย, ยมขอถามหน่อยนะคะคือการนั่งสมาธิอะค่ะนั่งถึงเราควรจะนั่งตั้งเป้าว่าการที่เราเห็นแสงเห็นอะไรแบบนี้เราก็แค่รู้มันเฉยๆแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะมั่นใจว่าเรามาถูกทางจนคือถ้ามันเป็นอัปปนานี่คือมันจะมีลักษณะแบบไหนเหรอเจ้าคะ่ะ มันจะนู้เองอ่ะไม่ต้องกลัวมันเหมือนตกหุ้มตกบ่อแล้ก็นิ่งสงบสบายเบาอกเบาใจมันนั้นมันไม่ทำอะไรนะกมันรั้งเลย มันตกปลาวันนี้อาจจะได้สองตัวพรุ่งนี้อาจจะได้ตัวเดียวอยูที่สติอยู่ที่ททกาลังสติของเรางั้นเราก็ต้องเจริญสติส ม, มุติถ้าก่อนจะนั่งวันเราก็จเจริญสติด้วยฐานกายอย่างที่พระอาจารย์บอกกับโยมเมื่อก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะใช่คอยเฝ้าดูร่างกายว่ากำลังทําอะไรอยู่อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างเส้นการมันเป็นมาร์กผลนี่คือเราควรจะตั้งเป็นอยู่ในแนวของอัปปน า, า, กก า, ปาระสมาธิใช่ไหมเจ้าค่ะใช่อย่าไปทางอุปจาระถ้าจิตสงบแล้วมันจะไปทางอุปจาระใช่สติหนึ่งมังกนกลับมาอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่มีอะไรแล้วเจคะโยมก็จะพยายามปฏิบัติอย่มุทนาสาธุกับทุกท่านด้วยเจ้าค่ะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวโ uh huh. ยมรับพรที่ใหม่นะเจ้าค่ะทำเลย ความปีหม่ความปีเก่ามันก็ทำตลอดตลอดชีวิตความที่ท้ก็คือการปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะโจ้ค่ะกล่าวหนุมานสการเจ้าค่ะโอเคใครยกมือเป็นคุณป้าคุณป้าเลยค่ะก็เง่อหนูออยากจะเลี้ยงเป็นเจ้าภาพเด็กอะค่ะสงสารพวกโควิดลงแล้วก็จะโอนปัจจัยไปอ่าที่วัดอะค่ะ คือในชื่อคุณแม่นะคะการเลี้ยงเด็กที่โรงเรียนผู้รู้ใช่ไหมโรงเรียนผู้รู้ค่ะที่ไหนก็ได้ค่ะตอนนี้ถ้าทางทั้งวัดจะเป็นเพราะหนูจะส่งเงินไปให้คุณแม่เขาจะได้ทำบุญด้วยอย่างเงี้ยเียส่งไปที่โรงเรียนผู้รู้ยอศแปดศูนย์ให้คุณคุณลาจัดการให้ได้ค่ะเดี๋ยวให้ให้ให้เจ้าหน้าที่ท่าน message มาได้นะคะ Inbox ส่งเมสเซจไปให้คุณได้ค่ะคุณมากค่ะหลวงพ่อแล้วก็ทําปัจจัยที่วัดของหลวงพ่อด้วยนะคะก็รัก็กําหนดก็ว่าันต้องการจะถวายส่วนไหนก็บอกไปแยกไปเป็นส่วนๆค่ะจ้าหลวงพ่อก็คุณม่ชเจนนะมาส่วนนี้ส่วนนี้ให้วัดส่วนนี้ให้นโรงเรียนะรรายละเอียดเพราะเดี๋ยวคุณแม่เขาเป็นคนโอนเขาโอนเป็นแล้วค่ะเนี้ยเขาโอนในโทรศัพท์เป็นล้วอันนี้คือท ทางคุณหลาจะให้หมายเลขของโรงเรียนกับของทางวัดไปให้เจ้าค่ะสาธุค่ะแค่นี้ค่ะาถามคุณหมูก็ได้คุณหมูก็มีหมายเลขของทาวัดคุณหมูคนไหนอ่ะอ้เดี๋ย้คุณคุณหลาประกาศงานให้ผมผมส่งผมส่งไลน์ไอดียของคุณหลาไปที่คุณฟ้าแล้วครับสาธขอบคุณมากค่ะ สาธุค่ะสวัสดีปีใหม่หนูก็ลืมไปสวัสดีปีใหม่ใจหลวงพ่อด้วยนะคะแล้วก็อย่าไปทำทุกคนได้ได้ผลมากแต่จะตั้งใจปฏิบัติตลอดไปค่ะหลวงพ่อสาธุครับบางพยายามหน่อยความสาเร็จจะอย่านี้นะเจ้าค่ะจะจะทําจนขันมันแตกก็ไม่ให้ตายไปมันโง่หลายชั้นนะฮะเอาแบบพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าตอบได้ยังไม่ปรรลุก็ไม่รู้จักที่นั่งนี้ไป หนูจำหลวงปู่ชาบอกว่าอะมันโง่มาหลายชาติ ต, ตายไ ป, เ, ปเลยเออตายตั้งมาตายไปเลยมันโง่นะถ้าเรายอมตายกิเลสมันตายก่อนรับรองไนดะ้ค่ะหลวงพอ่อถ้เรอยาก เ, เราตายก่อนกิเลสค่ะหลวงพอ่อเ อ, อวัดสายหลวงปู่มัน่นหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกหลักขาชื่อวัดอะไรอะค่ะ วัานนั้ที่วันเมตตาที่แซนดีก็อาจารย์แจ็คกี้ตานี้เป็นสายหลวงปู่มั่นหนูนึกว่าหลวงปู่ชาคือเขามีอยู่แล้วโอ้ที่เป็นลูกศิษย<อ>์ของหลวงพ่อเสื่องหลวงพ่อเสื่องเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงพ่อรีเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นเอีสายหลวงปู่มั่นค่ะหนูกาลังหาอยู่แต่ว่าจะไปที่จะอยู่ใกล้แซนเดี้ก็ใกล้ค่ะูห น, หนูเจอค่ะหนูเจอตอนนี้อยากจะบวชละ แต่ว่าวันเมตตาแล้วก็อาจารย์เจ็คฟรีนะใช่ค่ะการเจ็คต่าค่ะอาจารย์คุยบ่อยค่ะหลวพอขอบพระคุณเจ้าค่ะแค่นี้ค่ะขอตัวค่ะแล้วนะที่ว่าสมควรแกเวลาสองโมงมีเฟซ a c e b o o k อีกคำถามหนี่งครับคำถามสุดท้ายครับสุดท้ายเชิญคําถามจากคุณนิพาเจ้าค่ะเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะพุทโธแนบกับจิตอันนี้เป็นกิเลสไหมเจ้าค่ะ ไม่เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมที่จะนำไปสู่ความสงบไปสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแนบให้แนบทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเตยขึ้นม า, าได้มีพุทโธอยู่คู่กับจิตไปตลอดเวลาแล้วเวลานั่สมาธิจิตจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายและรวนเร็วอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา